จากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องผู้สั่งเกิดและสั่งตายโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่24สิงหาคม2540ที่พุทธสถานสติอโศก ข, ขอเชิญท่านิตตาทุกฟังได้นะบัดนี้ ทำท่านพูดยังไไฟทมพระพุทธเจ้าอยู่นะทุกวันนี้นี่อาตมายิ่งสุขสําราญบานใจนะยิ่งสุขสําราญบานใจทั้งๆ ท, ท, ที่หลายคนก็เห็นข่าวรู้ข่าวและตอนนี้ข่าวแต่ละวันแต่ละวันนี่บังก็ภูคอตายบังก็แทงตัวตายบังก็กินยาตาย บางก็ฆ่าตัวเองด้วยฆ่าลูกด้วยบางก็ฆ่ากันไม่ระเนรนาดเลยนั่นแสดงว่าเขาไม่สุขสำราญเหมือนอาตมาแน่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาของสังคมมันค่นเขี้ยวมันบีบบังคับอึดอัดเข้าไปด้วยลักษณะของสังคม ซึ่งเกิดจากมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ที่เป็นมวลหรือเป็นประชากรของสังคมได้กระทํากันกระทําอะไรกระทาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้กระทํามากกว่าสามกรรมนี่หรอ ก, อกรรแต่ทำสามกรรมนี่แหละมนุษย์เนี่ยเกิดมาก็ะทำสามกรรมนี่แหละแล้วก็กรรมนี่แหละ คือทรัพย์กรรมนี่แหละที่มันมีอํานาจมีฤทธิ์มีเดชถ้าใครอ่านหนังสือเราคิดอะไรตอนนี้อาตมากําลังขยายเรื่องกรรมขยายอยู่เรื่องเรื่องกรรมเนี่เป็นเรื่องสําคัญมากกรรมนี่เสมอกับพระเจ้าใครมีวิบากกรรมอยู่เท่าใดนั่นแหละเรามีพระเจ้าอยู่เท่านั้นหรือใครมีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลอยู่เท่าใดก็นั่นแหละเรามีซาตานอยู่ในตัวเราเท่านั้น กรรมเป็นทั้งซาตานกรรมเป็นทั้งพระเจ้าพระเจ้าน่ะคืออำนาจดีซาตานก็คืออำนาจชั่วอำนาจร้ายของใครก็ของมันตัวคนมีทั้งอำนาจพระเจ้ามีทั้งอำนาจซาตานอยู่ในตัวใครสั่งสมมาอะไรมากละ่ะสั่งสมอำนาจซาตานไว้มากก็ออกฤทธิ์ให้เรารับทุกข์ับภัยรับทรมาน รับร้ายไปทางร้ายถ้าเราสั่งสมกรรมดีกรรมกุศลไว้มากก็เป็นอำนาจพระเจ้าอยู่ในเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอพระเจ้าหรอกขอให้ตายก็ไม่ได้แต่คงไม่มีใครไปอ้อนวอนขอซาตานให้มาทให้อานาจแกเราเนาะขอให้ซาตานจงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ขอให้อาสาตานมาช่วยซาตานก็ต้องช่วยไปทาง ซาตานสิ ช, ช่วยไปทางร้ายช่วยไปทางเลวช่วยไปทางชั่วไปทางทุกร้อนใช่ไหมคงไม่มีใครไปอ้อนวอนขออํานาจซาตานให้มาช่วยเราเราก็ต้องไปขออํานาจพระเจ้าถ้าใช้คําว่าขอก็หมายขอว่าเราเองไปขอเอาอะไรอันหนึ่งจากอะไรมาให้เราการขออย่างนั้นมันขอกันไม่ได้โดยเฉพาะกรรม กรรมหรือวิบากกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมกุศลกรรมก็คือบุญอกุศลกรรมก็คือบาปไปขอบุญแต่คงไม่มีใครขอบาปเอาอนะมันขอกันไม่ได้ของใครสั่งสมไว้มีเราทําจริงก็เป็นของเราก่อนอื่นมาอธิบายคําว่าขอหรือว่าอธิษฐาน ภาษาไทยแปลอธิษฐานว่าขอาพอบอกอธิษฐานก็เอาเลยแล้วตั้งจิตขอแต่ที่จริงแปลตั้งจิตนะถูกแต่แปลต่อมาว่าขอนี่มันไม่ถูกตั้งจิตนะถูกนะการตั้งจิตนี่เป็นกรรมชนิดหนึ่งคุณจะตั้งยังไงก็แล้วแต่คุณเอาเลยหมายเราตั้งใจจับจักก่อนนะก็เกิดแล้ว ตั้งใจขึ้นมามีอาการทางใจเราใหม่ตั้งใจจะไปคุณเกิดแล้วทางจิตแล้วพอเริ่มต้น 9, กล่าวก็ไปแล้วคุณก็ให้จิตนั้นนะ่ะสั่งการให้ก้าวสิก็ไปตั้งใจจะพูดคุณตั้งใจนึกเกิดแล้วตั้งใจไปจะพูดจะพูดว่ายังไงก็แล้วแต่จะด่ามันสนิทอะไรแล้วถ้าตั้งใจจะด่ามันสนีทนะคุณตายเกิดแล้วสั่งสมลงไปแล้วนะเกิดทันที จะตั้งอย่างไรก็แล้วแต่ยิ่งมาตั้งใจหมายตั้งเลยนะหมายมีสมาธิเอาให้มั่นเลยแล้วก็ตั้งเลยมันก็ยิ่งมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นการตั้งจิตต่อพระบรมสารีริกธาตุตั้งจิตต่อพระพุทธรูปตั้งจิตต่ออะไรคุณตั้งขึ้นมาคุณก็ตั้งให้มันดีไม่จะขอตาพึชขอคือลักษณะอยากได้มาให้แก่ตัวเองใช่ไหมแปลว่าความโลภใช่ไหม คุณตั้งเอาความโลภให้แก่จิตของตนนะมันดีไหมไม่ดีแนะ่ใช่ไหมรู้อยู่ไม่ดีแนะ่แต่ถ้าคุณว่าอันนี้ควรจะได้น่ะอันนี้มันควรจะได้นะเออน่าจะอันนี้ถ้าเราทําอันนี้ให้เกิดหรือว่ามีอันนี้เรามีอันนี้ขึ้นมาก็จะดีเราจะเรารู้ด้วยปัญญาเราก็ตั้งจิตขึ้นมาเลยว่าเออจะต้องให้เกิดให้มีอันนี้ให้ได้ ทีนี้จะเกิดจะมีอันนี้ได้ก็เลยไปตั้งขอขอใครอ่ะขอให้คนนั้นให้ขอให้คนนี้ให้ยังไม่ถูกพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าเออจงไปพึ่งคนอื่นพึ่งคนนั้นให้พึ่งคนนี้ให้เคยสอนไหมแต่ไม่เคยสอนแต่เคยสอนได้ ว, ว่าพึ่งตนพึ่งตนพึ่งตนนะอัตติอัตโนานาโถเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ควรจะมีควรจะได้ เราก็ต้องตั้งจิตขึ้นมาเออทายังไงจะได้ทำยังไงจะมีตั้งจิตให้มีพลังขยันเลยตั้งจิตให้ลงมือทาตั้งจิตว่าเออเราจะมีเราจะได้ก็ต้องทำเราก็ต้องทำถ้าจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นว่าเออถ้าเราทำคนเดียวไม่ได้เราก็นึกต่อไปเออไปชวนคนนั้นหรือไปทำกับคนนี้หรือไปจะไปขอความเข้าใจไปขอความเห็น ไปขอการช่วยเหลือขอได้ถ้าเขาไปขอแล้วเขาจะช่วยคนเป็นๆ น, นี่แหละไปขอให้คนที่ตายแล้วหรือไปขอจิตวิญญาณมาช่วยจิตวิญญาณไม่รู้เรื่องหรอกขอยืนยันจิตวิญญาณที่บอกว่าไปขอจากจิตวิญญาณที่ไหนก็ไม่รู้คอใมาช่วยขอให้มาอะไรไม่รู้เรื่องหรอกท่านไม่รู้เรื่องหรอกเพราะพวกเราเข้าใจจิตวิญญาณเหมือนอัตตาอัตตานี่คนคนเราเป็น ที่จริงจิตวิญญาณของคุณคุณก็รู้เรื่องของคุณถ้าคุณไม่สื่อนะนั่งอยูน่นี่คุณก็คิดเราก็คิดจะรู้กันไหมจะรู้กันไหมไม่รู้ถ้าคุณไม่สื่อถ้าคุณได้สื่อด้วยท่าทีลีลาสื่อด้วยสายตาสื่อด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังพอจะรู้กันนะทีนี้ก็ว่าสื่อก็้วส่งพลังเลยหนาเบกอ็ออดเ อ, ด อ, ด อ, ดอดเลย แมหลายคนก็เข้าใจว่ามันถึงได้จริงๆมันมีพลังพอได้พอถึงได้แต่ต้องมีพลังมากเหลือเกินต้องฝึกฝนสมาธิต้องใช้พลังแล้วใช้พลังสูงจ่ายไปมากไม่เข้าท่าอะไรเราก็เปลื้องเปล่ากว่าจะมาสะสมพลังงานอย่างนี้ได้เอาพลังงานอย่างนี้แล้วก็มาใช้แบบนี้นะแทนที่จะมานั่งอ่ามานั่งต่อหน้ากันอยู่แล้วก็สือ่อใช้พลังจิตส่งทางจิตกัน ก็พูดไปเลยดีง่ายดีไม่ต้องใช้พลังงานมากด้วยจะทําอะไรก็ทำเงินไปเลยบอกก็เบนนะถูกถูกใช้ให้การรู้ด้วยราคาถูกถ้ามันนั่งทงพลังจิตกันอยู่นี่ใ ห, ให้ให้การรู้ได้ด้วยราคาลงทุนแพงมากใช้แครอทดีเดยอะเหลือเกินแล้วก็ต้องใช้แครีทที่มีประสิทธิภาพสูงซะด้วยซึ่งไม่ใช่สาหมันมันเป็นวิสาห์มั น, เ ป, นเป็นเรื่องของคนพลังงานจิตพิเศษจริ ง, รงๆซึ่งหาได้น้อยมาก แล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสื่อได้อย่างดีชัดเจนถูกต้องเพราะพลังทางจิตมันมันนามมาทำเลอเกินมันโอ้โหจะจับให้มันตั้งตัวตั้งรูปตั้งอะไรจะปั้นจะแปลงใหม้มันเป็นเข้าใจกันเห็นกันรู้กันได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะงั้นก็ไม่พึงกระทำให้ควรจะลงทุนดีกว่านะไม่ไม่ต้องไปลงทุนนอกากการจะตั้งจิต ก็ขอยืนยันว่าการตั้งจิตนั่นคือการก็ททำแล้วที่ใจเราจะตั้งจิตให้เกิดอะไรถ้าเกิดขออยากได้มาให้แก่ตัวเองแบบขี้โลค ก, ก็เป็นการตั้งจิตสั่งสมความโลภใส่ใจแต่ถ้าตั้งจิตโดยปัญญารู้ว่าเออตั้งจิตจะต้องทำอันนี้ทำอัน น, น้นจะต้องให้เกิดอันนั้นเกิดอันนี้ก็ตั้งขึ้นแล้วเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้ไม่ไปรบกวนใคร ทำไม่ได้จะต้องไปพึ่งคนอื่นบ้างให้เขาช่วยช่วยบอกหรือว่าถ้าเผื่อว่าจะไปขอแรงก็ช่วยทําก็ได้ทีนี้มันมีความซับซ้อนอยู่อันหนึ่งก็คือว่าเราจะได้พลังร่วมจากพลังงานที่เรามีบุญมีกุศลต่อกันและกันเช่นคุณอาตมากับคุณเคยทําบุญร่วมกันมาเคยทํากุศลร่วมกันมาเคยสร้างอะไรร่วมกันมาเคยมีหุ้นส่วนที่ทําอะไร อ, อะไรร่วมกันดีๆมาเมื่อตายจากกันแล้ว เราก็มีส่วนดีๆทีนี้เราจะขอเอาพลังร่วมนั้นได้ไหมอันนี้พอได้ถ้าคุณได้ร่วมทําบุญกับพระพุทธเจ้ามาคุณได้ร่วมปางไหนก็แล้วแต่คุณได้ทําบุญร่วมกับพระพุทธเจ้ามาคุณก็ขอพลังที่คุณได้ร่วมทําจริงๆนั่นก็เป็นพลังของคุณร่วมกันมันก็เหมือนกับหุ้นส่วนก็แบ่งส่วนนั้นมาของเราพอได้เรียกว่าพลังร่วม แต่ถ้าคุณไม่เคยทําบุญกับพระพุทธเจ้ามาเลยขอขอขอมันไม่ได้กรรมของใครกรรมของมันแต่ถ้าคุณทําบุญร่วมกันกับพระพุทธเจ้าก็แน่นอนเรามีกรรมร่วมเรามีกรรมร่วมมีผลดีผลรายอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นผลดีนะเราพูดกันถึงผลเชิงผลดีมีผลดีร่วมกันหรือมีกรรางงําไรว่างั้นจะมีกำไร ร, ร่วมกันคุณก็แบ่งกับกาไรส่วนที่คุณควรได้มาได้แต่มันก็ไม่ พ้นไปจากคำคำว่ากรรมสักะหรือว่าของของตนก็เรามีของตนที่ร่วมกันอยู่แล้วก็แบ่งอส่วนนั้นมาขอมาเกินได้ไหมไม่ได้ขอมาเกินส่วนที่คุณควรจะเป็นควรจะมีหรือคุณมีคุณเป็นเท่าของคุณนั่นแหละส่วนของคุณก็เท่าส่วนของคุณคุณจะไปขอมาเกินส่วนของคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นพลังร่วมอย่างนี้มีเหมือนกันเราไปขอพระพุทธเจ้า เนี่ยไปถึงก็อธิษฐานแล้วก็ขอจากพระพุเจ้าถ้าคุณไม่มีพลังร่วมมาเลยเลยกับพระพุทธเจ้าไม่มีแต่ถ้าคุณมีพลังร่วมกับพระุทธเจ้ามีหรือพลังอะไรก็แล้วแต่พลังจากใครแล้วแต่พิสูจน์เป็นๆนี่ก็ได้แต่คุณเคยทํางานร่วมกันอยู่ร่วมกันช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเอาขอแรงช่วยหน่อยขออันนี้หน่อยหนึ่งมันก็ร่วมกันได้แต่คนที่ไม่ได้ร่วมกันเลยแล้วก็ไม่ได้ไว้ใจกันด้วยเขาก็ไม่ร่วมไม่มีการยินดีด้วยกันไม่มีการ เมตตากันไม่มีการได้เคยเกลื้อกุลกันไม่เคยเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็ยากถ้าสมมติว่าเราไม่เคยร่วมกันเลยล่ะเอาชาติเนี้นะไม่เคยเกี่ยวอะไรกันเลยไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันมาก่อนเลยมาเจอกันขอให้เขามาร่วมถ้าเขามาคุณก็เป็นหนี้เขาถ้าเขามาทำให้คุณคุณก็เป็นหนี้เขาใช่ไหมเพราะคุณไม่เคยมีกรรมร่วมอะไรกันเลยไม่เคยไปเป็นส่วน ทำอะไรร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์อะไรกันมาแต่ไหนก็นแล้วแต่คุณไม่เคยเลยน่ะสมมุติว่ามันยังไม่เคยเป็นคุณก็ต้องเป็นหนี้เขาถ้าเขาให้ถ้าเขาออกมาทํานี่คนเป็นเป็นให้แต่ถ้าไนดะ้จิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดที่เราคิดนะเราคิดเป็นอัตตาว่าเออเหมือนตัวคนเนี่ยมาพูดกันได้อันกันได้แล้วคุณก็เลยคิดว่าถ้าตายไปแล้วก็คงเป็นอัตตาของใครของมัน เสร็จแล้วก็ของคนนี้ก็มีอย่างของคนนี้เพรา ะ, ะนันเราขอจากคนนี้คนนี้ก็จะแบ่งมาให้มันคิดเหมือนเหมือนกันว่าอัตตาคนที่ตายไปแล้วจิตวิญญาณก็คงเป็นเหมือนกับตัวคนที่เป็นๆ น, นี่แหละก็เป็นของคนนี้เป็นอะไรอยู่ไม่ใช่นะอันนี้ก็อาตมา ก, ก็บรรยายไม่ได้มันเป็นอจินไต่มากมายว่าจิตวิญญาณคืออะไรโอ้อา น, นิทัศนังจะอธิบายว่าเป็นอย่างไรมันก็ไม่ได้แต่บอกได้ว่ามันไม่ไป ไปไปเป็นอย่างที่เราเป็นว่าล่องลอยไปแล้วก็ไปเป็นเมืองก็สังคมโลกโลกคนที่มีรูปรา่างรูนมน้ำขันหน้มีดินน้ำมลมไฟมันไม่เหมือนหรอกนั่นไม่เหมือนเพราะงั้นเราก็เดา ว, าว่ามันจะเหมือนกันซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะแล้วมันก็ไม่เป็นรู้กันเอาอาตมาอธิบายได้อีกนิดหนึ่งเวลาคุณต่างคนต่าง น, นอนหลับหมดทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณของคุณก็อยู่ในของคุณแต่ละคนใช่ไหมแล้วคน คุณเห็นจิตวิญญาณของคุณไหมแล้วคุณบอกว่าจิตวิญญาณของคุณนอนหลับแล้วเอาเราจิตวุญยาคุณฝันนี่คุณก็ฝันนีคุณก็ฝันนีคุณก็ฝันนีคุณก็ฝันฝันต่อให้คุณฝันว่าไปเจอกันด้วยจริงไหมจริงไหมมันไม่จริงมันเป็นความคิดนึกมันเป็นความฝันจิตวิญญาณนั้นไม่ได้ไปเจอกันจริงจิตวิญญาณมันไปเข้ากันไม่ได้เวลาเวลาที่ไม่มีรูปนามขันหน้ามันไปต่ออะไรกันไม่ได้ พบใครพบมันถูกแล้วสับนี้ครบพบใครพบมันตายแล้วอยู่ในภพของตนเองคือมันพบทางจิตมันจะเอามาปนกันจะเอามาอะไรในเหมือนคุณคิดของคุณแล้โนคิดของคุณคุณต่อให้คุณคุณคิดทางนี้คิดทโนคิดชก ค, คุณคุณก็คิดชกเขาแต่มันไม่ได้ชกกันเลยมันคิดเท่านั้นพบใครพบมันไม่ได้ชกกัน หรือให้ก็ตามว่าคุณนี่คุณก็คิดให้คนโน้นคุณก็คิดให้คนนี้มันไม่ได้ให้มันก็อยู่ดังเดิมมันอยู่อย่างเดิมพบใครพบมันเพราะนั่งคนตายแล้วมึงคุณนอนหลับเนี่ยจิตมันก็เป็นของตัวเองคนนั้นก็เป็นคนนั้นคุณนอนหลับต่างคนต่างฝันฝันให้ชกกันเลิบฝันให้พบกันฝันให้เป็นอะไรกันก็แล้วแต่มึงก็ได้แต่คิดนึกมันก็ฝันไม่ฝันแล้วหลับตาเดี๋ยวนี้คุณอยู่แต่ละคนแต่ละคนในนี้คุณคิดตื่นแต่ในภายในคิดแล้วคุณก็ไม่ได้ไปมีอะไรกัน คุณก็ไม่ได้ไปทําอะไรกายกรรมวิจิกรรมไม่ได้ไปเกี่ยวไปเกาะอะไรกันเรื่องของจิตก็ไม่ไเกี่ยวกันนี่มันเป็นอ จ, จินไตมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากแต่อาตมาก็พยายามจะอธิบายยากตัวอย่างให้พกคุณฟังมาคนเราคิดแต่ว่าโอ้ยตายไปแล้วก็ไปรู้กันไปเห็นกันไปเหมือนกันกับมีตัวมีตนมีอะไรโอ้โหคนนี้เจอคนนี้แล้วนี่คนนี้กําลังเป็นเปรตคนนี้กำลังเป็นเทวดาคนนี้กําลังทุกร้อนคนนี้กําลังถูกน้ําร้อนลวกคนนี้กําลังถูกไฟไหมคนนี้กําลังเป็นอย่างนี้โอ้เรื่ไปช่วยกันจับขึ้นมา พู้ก็ยังมีเนื้อมีหนังพูด ก, กันยังลิเกละครมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตายไปแล้วอย่าพึงคิดว่าเราจะไปช่วยอะไรกันได้เลยเมื่อคุณนอนหลับคุณหลับฝันต่อให้คุณโอ้โหทุกร้อนเดือดร้อนผีเข้าผีอ้ําใครก็ช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่มีรูปร่างร่างกายนี้อยู่คุณดิ้นในตายมันก็ไม่มีแล้วคุณตายแล้วนีคุณไม่มีร่างกายคุณดิ้นมันก็ไม่มีออก ก็มืบับุยไงไม่มีใครเห็นกับคุณอะสมมุติว่าอย่างแบบแบบพีอําหรือเป็นอะไรอย่เงี้ยโอ้โหคุณดิ้นร้อนโอ้โหตอนนี้ถูกเสือไล่ฝันนะในฝันถูกเสือไล่โอ้โหช่วยดูช่วยเลยไม่มีใครรู้คุณอะคุณก็อยู่คุณคนเดียวคุณจะร้องมันก็ไม่มีปากจะร้องเสียงมันไม่ออกมันมีแต่จิตเสียงมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีใครจะช่วยคุณหรอกมันไม่ีใครเขารู้กับคุณว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นแต่จิตของคุณ พอพอพอดาวดาวคำคลำตามดไหวไหมฮะพอคำคลำตามไหวไหมเน้คนเราก็ไปคิดว่าจิตเนี่ยมันเหมือนกับเราเราตายแล้วเหมือนกับเรามีรูปร่างตัวตนหนึ่งมันไม่ใช่ไปเข้าใจเป็นอัตตาหยาบถึงขนาดมีรูปแบบมายอัตตาขนาดนี้มันไม่ใช่มันมีแต่จิตนะมันไม่มีรูปมันไม่มีวัตถุรูปมันไม่มีดิน้ำลมไฟมันมีอะไรมันมีเสียงมันมีรูปมันไม่มี ตาไม่มีเห็นจริงจมูกกลิ่นรสสัมผัสแต่ต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งมันไม่มีมันไม่มีดินน้ํามลมไฟมไม่มีมหาภูตสรูปเลยแต่เราก็ไปคิดว่ามันจะเป็นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะเราอันี่ก็ขยายความให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปในส่วนที่มันยังเข้าใจผิดพลาดอยู่อันหนึ่งกรรมนี่เป็นเรื่องสําคัญกรรมเป็นของของตนเราสั่งสมกรรมอย่างคุณมาเนี่ย คุณจะตั้งจิตนะเราพูดถึงตรงตัวคำว่าตั้งจิตเนี่ยคุณแค่ตั้งจิตเฉยๆอยู่ที่บ้านกับคุณตั้งจิตว่าไม่มาวัดกับคุณตั้งจิตอยู่ว่าเออเราไปวัดก็ดีนะอันไหนจริงกว่ากันคุณตั้งจิตว่าเออไปวัดก็ดีนะไม่ไปวัดหรืออยากไปวัดหรือจนแต่ไม่มากับคุณมาวัดอันไหนจริงกว่ากัน <laughs> เพราะฉะนั้นกรรมใดที่คุณทําให้มันจริงกว่ามันก็คือจริงกว่าอยากมาวัดว่ามันเป็นกุศลหน้ามามาเถอะแล้วมันก็จริงกว่าแล้วมันก็เป็นกุศลที่ถึงขั้นถึงขีดมีน้ําหนักมีเนื้อหาสาระมีสภาพของกรรมที่มีความแน่นหรือมีความจริงที่มากกว่าแล้วมาแล้วก็ยังแถมได้มาสัมผัสจริงอีกสัมผัสกับเรื่องราวสัมผัสกับผู้คนสัมผัสกับส่วนที่เป็นแวดวงที่ดีนะ ถ้าเราอยู่ในส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับส่วนหนึ่งถ้าเรามาอยู่อีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอีกส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าท่งตรัสว่าปฏิรูปรเทสวาสะสถานที่ที่ควรอยู่และก็ต่อไปอีกท่านก็ตรัสว่าสถานที่ที่ควรอยู่อย่างนั้นน่ยมีสปายสีหรือมีมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี มีมิตร ด, ดีมีเพื่อนที่พากันไปดีมีสหายที่ร่วมประโยชน์จะสร้างจะสันจะทําอะไรก็เป็นเป็นกุศลเป็นไปด้วยดีนะมีสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆดีมันเป็นสถานที่ควรอยู่เป็นปฏิรูประเทศวาสะมีสปายะดีอย่างที่ว่ามีสปายะดีสถานที่ก็ดีนะเป็นเสนาสนะบุคคลดีเป็นบุคคลสปายะมีผู้คนเป็นมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารดีอาหารกินเข้าปากลงไปในท้องเลยว่ากาลิงกลาห า, ก า, า, า, าหารนี่ก็ตามนะมีผัสสาหารมีมโนสันเจตนาหารผัสสาหารก็หมายคำว่ามีผัสสักเรามาอยู่ที่นี่มีผัสสะเดี๋ยวเพื่อนก็ว่างันเดี๋ยวเพื่อนก็ว่างี้อาตมาว่าดีกว่าคุณให้ไปเพื่อนที่เขาไปชมอยู่ข้างนอก อาตมาว่างั้นนะคุณว่าดีคุณว่าไหมเพื่อนอยู่ที่นี่ว่าคุณอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไมคุณทําอย่างนี้่ทําไมทํางี่มันไม่ดีนะอย่างงี้อาตมาว่าฟังอย่างนี้นี่ยยังเป็นสิ่งดีแล้วอาตมาก็เชื่อว่าพวกเรานี่ไม่ได้โหดร้ายว่าคุณเหมือนด่าเล่นไม่ดีก็ไม่ดีงี้ใสความใสใครสอเสียดพูดหยาบพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่จริงอาตมาไม่ใช่ครับพวกเรานี่ะบอกว่าคุณเอ๊ะอย่างงี้มันไม่ดีนะไม่ดีเป็นความเห็นปรัถนาดีวะเออควรรู้ตัวนะ อาตมาว่าดีกว่าไปอยู่กับทั้งโลกเขาก็ยอโยย อ, ยอปอปั้นไปดีไม่ดีเรื่องก็ไม่จริงก็ยกยอปอปัน้นดีไม่ดีออาอะไรมาหลอกมาลวงก็ไม่รู้ฟังบางทีก็รื่นรมเพลินไปนกับเขาอาตมาว่านี่กับมันก็เพื่อนเพื่อนมิตรอย่างนั้นไอนี้ก็มิตรอย่างนี้เมื่อได้ผัสสะเอาแต่แค่พูดฟังกันก็ตามหรือได้สัมผัสได้พากันทําพัสสะทางกายพัสสะทางวาจาผัสสะทางใจ ได้ผัิสัทธทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือผัิสะทางใจด้วยผัิ ส, สัแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาอาตมาก็ว่ามาได้ผัิ ส, สัททั้งหกทางนี้เนี่ยดีกว่าที่จะไปได้ผัสสิสัทั้ทางโลกโลกทางโลกอย่างเอากกรรมมันก็จะยั่วกามคุณนะนะหมดทางนี้จะช่วยกันขัดเกลารูด้วยถึงจะยั่วกันก็ไม่ยั่วให้เกิดร้ายแรงอะไรใช่ไหม ที่นี่ทางนี้เรามาทางนี้เพราะเราจะมาลดละไนคลายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในแวดวงที่มีมิตร ด, ดีสหายดีมีบุคคลดีบุคคลสปายะมันก็เกิดดีกว่าอย่างนี้แหละจึงเป็นสถานที่ที่ควรอยู่เป็นปฏิรูประเทศวาศเป็นสถานที่อันควรอยู่อันควรใกล้ชิดอันควรคลุกคลีเกี่ยวข้องอันควรที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์ ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ควรไม่คุกคีคเกี่ยวข้องนะั่นคือเราอย่าไปคุกคีคเกี่ยวข้องสิ่งที่มันจะพาเราตกต่ํำมู่กลุ้มก็ตามบุคคลก็ตามแม้แต่วัตถุก็ตามวัตถุบางสิ่งบางอย่างไปเกี่ยวข้องมันก็พาเราตกต่ําเรายิ่งเรามีกิเลสเราไม่มีริษมีแรงไปใกล้วัตถุบางอย่างแล้วโอ้เห็นมันแล้วอดไม่ได้อดใจไม่ได้อาอดไม่ได้เราอย่าไปสัมผัสมันนี้ก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องนี่เป็นต้นนะ เพราะงั้นในสถานที่ที่ควรอยู่เนี่ยที่อาตมากําลังขยายความเนี่ยมันมันละเอียดละออยอย่างที่อาตมาว่าแล้วเราก็ฟังดูดีๆนะมีสถานที่ที่ควรอยู่ที่จริงเนี่ยเอาตั้งแต่ละเอียดก็ได้เนี่ยทัศนีย์ส่งเนี่ยโอ้โหนี่มีคนเข้ามาทักนีมีใครรู้พาเพื่อนมาที่นี่พาเพื่อนเข้ามาพอ ม, มาเห็นแล้วโอ้โหในกรุงเทพเนี่ยในเมืองนี้ยังมีป่านี้อยู่เลยอัศจรรย์จังเขาว่าเขามาเจอแค่นี้นะ แล้วกรงเทพมีป่าด้วยเหรอมีป่าเหลืออย่างนี้มันกันเหรอมันไม่ใช่เหลือเราเราปลูกขึ้นมาหมดทุกนัดทั้งนั้นน่ะป่าที่ไหนมีที่ก่อนนี่มีป่าที่ไหนแล้วปลูกขึ้นมาใหแท้ๆเราแต่ก่อนมันเป็นนาเน่าเน่านาหญ้าเน่าโห้โหเหม็นน้ําคลําอย่างไรดีนะแล้วก็มาปลูกขึ้นต้นม้ทุกต้นเนี่ยมาปลูกมาสร้างขึ้นมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนะเนี่ยแล้วเราก็เสริมขึ้นมาจนป่านี้มันก็ถึงมัเป็นอย่างนี้ขึ้นมามีดินมีหินมีอะไรก็ทําขึ้นมา เขมาสัมผัสเข้าว่าเออ อ, อย่างนี้มีด้วยเหรออย่างนี้เป็นต้นเอาตั้งแต่เสนาสนะส ป, ปายะเสนาสนะที่หน้าสัมผัสมันหน้าสัมผัสก็ป่าคนกรี ต, ตนะแล้วมันก็จริงด้วยที่นี่เนี่ยมันจะมีมลพิษน้อยกว่าข้างนอกด้วยจริงๆรงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เอาก็ดีแล้วบุคคลส ป, ปายะมีบุคคลที่อยากที่อาตมาบอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามันถึงมาสัมผัสสัมพันธ์กับกับหมู่พวกเรามันก็มีสิ่งเจริญนะสปายะนี่กับ ภาษาไทยมาเพียนมาเป็นสบายสปายะที่จริงแปลว่าประกอบไปด้วยประโยชน์หรือประกอบไปด้วยกุศลสปายะประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยกุศลมันก็ประกอบไปด้วยมีสถานที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยกุศลบุคคลประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยกุศลอาหารอาหารนี่ตั้งเมื่อกี้ว่ากวรวินกะลาอาหารตั้งแต่กินอาหารมีอาหารกินกับอาหารนี่ประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยกุศล ผัสสะหารมาผัสสะกันก็เกิดประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบเรด้วยกุศลมีมโนสัญเจตนาอาหารมีเจตนาแก่กันและกันพวกเราไม่มีเจตนาแก่กันและกันไม่ห้ามหันกันไม่พากันเลวปรารถนาดีมีเจตนาดีที่จะมุ่งหมายให้ดีแก่กันและกันมีสัญมีมโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารที่ดีมีวิญญาณอาหารเชื่อไว้ว่าในนี้มีวิญญาณ วิญญาณเป็นอาหารที่ดีกว่าวิญญาณข้างนอกวิญญาณผีมากกว่าวิญญาณนี้มีวิญญาณพระหรือวิญญาณเทวดาที่ดีกว่าจริงไหม อ, อย่างนี้เป็นต้นมีอาหารสปายะมีธรรมะสปายะแน่ๆเลยมีธรรมะสปาย ะ, ะมีธรรมะระดับโลกุตระเชียลนะ อ่ามาก็อย่างน้อยก็ได้ฟังอตรตมาตเทศมั ง, ไ ด, งมได้ฟังสัมมนาได้ฟังสิกขามาหรือแม้แต่พวกเราในคารวะได้กระเทอะบางคนนี่เทศเป็นไฟเลยจนกระทั่งบางทีบกวโอโ้พี่น้อยกว่า น, นี้หน่อยได้ไหมเทศแหลกเลยไม่วักเลยนะอ่าเดินนี้แล้วยังเดินตามเทศเลยนะ <laughs> เดินนี้แล้วยังตามเป็นเทศตามไล่ไปเรื่อยๆเลยไม่ใช่เบลล์หรอกพวกเราเนี่ยมีธรรมะสปายะ พราะงั้นก็ประมาณหน่อยผู้ที่จะเทศให้เพื่อนฟังก็เทศจังเลยนะไม่ได้คิดเอากันเทศด้วยนะเทศฟรีนะไม่ได้เทศเอาตังค์เลยเทศจังเลยมีธรรมสปายะแจกจ่ายกันให้แก่กันและกันอย่างจริงนะธรรมะไม่ใช่มีแต่แค่เทศธรรมะมีนานาสารพัดที่ทำให้เจริญทําให้เป็นเป็ น, ปนสิ่งที่ดีงามคุณงามความดีทรงไว้ให้เกิดขึ้นนึกให้ทรงไว้ละให้เกิดขึ้นเป็นคุณงามความดี อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราทําถูกนะทำถูกให้มันเข้าสัดส่วนที่มันจะเกิดผลเกิดประโยชน์ที่มากหรือมันดีพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าความเสื่อมของคนเนี่ยคือข้อแรกไม่ค่อยมาวัดไม่มาวัดนั่นเป็นความเสื่อมประการที่หนึ่งความเสื่อมเจ็ดประการเนี่ยธรรมทวนนี้นจำกันได้ไหมเนี่ยฮะ หนึ่งไม่มาวัดสองไม่มาวัดก็ไม่ฟังธรรมมาเตะท่ามามาวัดมากล่าง้วยนะมาวัดฉันคนเก่านะจ๊ะม า, มาวัดมาหรืออะไรก็แล้วแต่ามาวัดมาไม่ฟังธรรมสามไม่ศึกษาอธิสินไม่มีอธิสีน ไม่ศึกษาอธิศีนก็คือไม่ศึกษาไม่ฟังไม่พยายามพูดกับเพื่อนฝูงก็ให้มันรู้ข้อรู้ข้อที่จะเจริญอธิศีนก็คือข้อที่ทําให้เราเจริญแล้วเราก็เอาไปตั้งสมาทานศีลของเราฟังของเพื่อนเออของเพื่อนเราหน้าเอามาทําเหมือนกันของคนนั้นคนนี้หรือพระหรือว่าสมณะสิกขารหรือใครผู้รู้ท่านแนะนําให้เออสีนอันนี้น่าเราเอาไปรับไปอีกก็สมาทานเพิ่มเติมคือเพิ่มศีลเพิ่มทำ เพิ review, knowledge of knowledge of ่มข anyway, ้อปฏิบัติข้อประพฤติของเราศึกษาให้รู้ศึกษาให้รู้ก่อนรู้แล้วเอาไปลงมือปฏิบัติให้เหมาะสมกับตัวมัชชิมาปฏิปทาให้เหมาะสมบางอย่างได้แต่รับรู้ไว้ก่อนยังไม่เหมาะสมกับตัวเรายังสูงยังมากไปเราก็เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบะหามไม่หนักอะไรนี่ก็รู้ไว้เพิ่มๆมากๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเออเราตรวจได้ว่าเรายังไม่ไหวยังไม่เหมาะเรายังไม่ได้กับเรายังไม่มัชชิมายังไม่พอเหมาะพอดี มันมากไปแต่ก็เพิ่มอาทีศีลได้ตรวจศีลมาเอออันนี้ได้แล้วได้แล้วก็จะไปซ้ําแซะอยู่แค่นั้นอยู่อย่างเก่าวนเวียนอยู่แค่ที่ได้แล้วก็ได้แล้วเสริมมั่งเพิ่มขึ้นอีกมั่งไม่หยุดอยู่เพิ่มอธิศีลเพรา ะ, ะนั้นถ้าผู้ใดไม่เพิ่มอาิศีลยิ่งอยู่คนเดียวอยู่ไม่คอยมาเกี่ยวไม่มาวาดัดไม่มาฟังธรรมไม่เกี่ยวอะไรใครคุณก็เหมือนกบอยู่แก่กาลาครอบเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มอะไรรู้ก็ไม่รู้เพิ่ม อะไรก็ไม่ได้ไม่คิดอ่านด้วยอย่างนี้ไม่ไหวถึงแม้ไม่พบเพื่อนไม่พบฝูงก็คิดอ่านว่าเราควรจะเพิ่มศีลอะไรแต่ถ้าเผื่อว่ามาพบกับสมนามาพบกับใครต่ใครมันก็จะมีเชิงเนี้ยมีตัวอย่างมีแบบปีนั่นใหสะดุดใจว่าโอ้อันนี้ดีนะอันนี้น่าเราเอาอย่างตามน่าเราเอาเป็นศีลเป็นธรรมเพิ่มเติม<ๆ>ก็จะเจริญทางอธิศีนเพราะถ้าไม่เจริญทางอธิศี น, นี่ถือว่าเสือ่อมควรเจริญเสมอพระเจ้าจไม่สอนให้หยุดอยู่หรือยอยู่ที่เดิม ควรวุฒิวุฒิควรเจริญได้เรื่อยๆๆเเ ร, เ, รนะไไยเรื่อยเร่เรื่อยเ่าเรื่อรื่อยเรื่เรื่อร่อยเรื่เรื่อรื่อยเไื่อยรื่อยเร่อยเรื่อยเลื่อยเรื่อเรื่อยเรือยเระผูยเรื่อยระู่ยเร่เ ร, ะะรื่อยเรื่แลเรื่อยร่อยเรื่อเรื่อม่เรื่อรเรื่อรเื่อ เป็นทักกินเยัเป็นคนเป็นคนคนบวชแล้วก็ยังไม่เรื่อมใสป่วยการาไปกล่าวทําไมคารวะดในการจ้างก็ไม่เรื่อมใสแล้วขนาดพระยังไม่เรื่อมใสนี่มันเกิไม่เขาท่าแล้วล่ะมันเกิดมาาอัตตา ม, มานะเพราะนั้นคนบางคนก็บอกว่ามาวัดมาฟังธรรมมาจเจริญในอัติศรรินเจริญอัตอตาขึ้นตอนนี้จะไม่ค่อยเรื่อมใสแล้วเฮเราชักจะเท่ากับพระแล้วนะเราจักไม่มันมันกิเลมันขึ้นได้มันความเสื่อมซ้อนเนี่ยมันเปความเสื่อมได้ เออปฏิบัติถูกหมดเลยนะไม่เสื่อมนะสามข้อแรงมาวัดฟังทำเจริญอธิศี น, นข้อที่สีชักจะไม่คอยเลื่อมใสแล้วชักจะอัตตาชักจะขากลแน่เหมือนกันนะขากล่าชักจเจริญแล้วนะชักจะตีตัวเสมออะไรอย่างนี้เป็นตน้นอไม่ค่อยเลื่อมใสอย่างนี้ก็ผิดนะเพราะเราจะต้องรู้ผู้ที่ควรเลื่อมใสแม้สมมุติสัจจะเราก็ยั ง, งต้องมีสมาคาระวะนะ มีการรู้สมมุติมีการอะไรเอาละจริงเราอาจจะสูงกว่าพระบางรูปก็ได้นะบางคนมีบุญบารมีสูงกว่าแต่เราก็ต้องรู้สมมุติว่าเออเราจะไปทําเป็นแหมไม่เลื่อมใสหรือว่าไปออทําแสดงท่าคมเบงเไม่ถูกสมมุติก็คือสมมุติอัตมาก็เคือธิบายซับซ้อนหลายเชิงแม้แต่พระโดยการนิกฎวินัยมีเลยผู้บวชทีหลังจะต้องเคารพผู้บวชก่อน แม้ผู้บวชที่หลังนะั้นจะเป็นพระอารหันต์ก็ต้องกราบพระธรรมดาที่ไม่ได้เป็นพระอริยะต้องกราบเคารพพระที่บวชก่อนอย่างนี้เป็นต้นจะไม่บอกว่าเอฉันเป็นอาราหันต์แล้วท่านยังเป็นพระสมมติยังเป็นพระปุถุชนอยู่หรือท่านยังเป็นโสดาแต่ผมเป็นอาราหันต์แล้วท่านต้องกราบผมแม้ท่านจะบวชก่อนไม่ได้ น, นี่ไปกฎเป็นหลักเป็นวินัยเลยอย่างนี้เป็นต้นเพรา ะ, ะเราต้องมีสมาคาราว่าเราต้องรู้สมมุติเราต้องรู้อะไรอะไรให้พอให้เป็นไปได้นะของบุญนอกขอบเขตพุทธนั่นแหละสแสวงบุญนอกขอบเขตอาตมาแน่ใจว่าอโศกนี่แหะพุทธนะพุทธแท้แท้พุทธเพียวเพียพุทธถูกต้องมากเลยแต่เขาออกไปไม่รู้คนอื่นเขาจะว่าไม่ใช่เขาจะว่าอื่นถูกกว่าดีกว่าก็เป็นความคิดของใครของมันก็อโศกนี่ยังไม่ดีเราอ น, นุตดีกว่าก็แล้วแต่คือออกนอกหมูล่ละ สรุป ง, ง่ายๆคือออกนอกหมูลแล้วแสวงบุญนอกขอบเขตหมูนั่นเองเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะต่างคนต่างนึกว่าเราก็พุทธเราก็พุทธแน่ๆเหมือ น, นกันเพราะฉะนั้นหยุดเถียงกันตรงนี้เอานอกขอบเขตหมูแล้วชักจะแยกมูแล้วดังแยกวงแล้วตอนนี้ดังชักใหญ่ละอัตตามานะคือดังแยกวงแล้วใหญ่ละอัตตามานะคือดังแยกวงแล้วน้อ่าหนเชิญยิ้มเขายังไม่ออกจากวงเลยเห็นไหม นมาลองผมลองให้โอ้โหออกอากาศไมเหลือเกิดเหลือกินจริงจริงดังแยกวงแล้วตอนนี้นะอย่างนี้เป็นตน้นพอดังแยกวงแล้วทีนี้ก็แสวงคุ้มบุญนอกขอบเขตพุทธแล้วทีนี้ก็สักการะก่อนเลยอสักการะมานอกขอบเขตพุทธแล้วสักการะก่อนเลยทีนี้ไอ้สักการะสิ่งที่ไม่ ไม่ใช่อันนี้แล้วไปอันอื่นยกให้อันอื่นเหนือกว่าและสการะก่อนเลยอันนั้นต้องมาก่อนคือไปแล้วตอนนี้นี่ใจไปใหญ่นี่คือความเสื่อมที่สุดละถึงขั้นเจ็บนี่ก็แสดงว่ามันออกนอกริดไปแล้วออกนอกพุทธไปแล้วหรือออกนอกหมู่กลุ่มเก่าไปแล้วไปเอาใหม่แน่ๆสการะก่อนให้เกียรติแก่อันอื่นนี้เหนือกว่าและสการะก่อนเนี่ถือว่าอันนี้ทีหลังแล้วถือว่าอันนี้ต้อง ชั้นต่ากว่าแล้วอย่างเงไี้เป็นตัวในความเสื่อมทั้งเจประการเนี่ยเกิดจากการที่ผิดพลาดมาพระเจ้าตรัสเอาไว้อะไรนี่ชัดที่สุดเป็นรื่ความจริงที่สุดนี่ยังมีคนมาวัดมาวาขนาดนี้นี่ก็พอสมควรนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นวัดที่มาถึงกับมาอ้าวขายพระเครื่องกันคิดอ่านก็ที่ว่าเราจะรอทองกันมุ่นไหร่เราจะหาเงินหาทองมาทํำน่นทําำนี่กันเมื่อไหรไอน้นี้เราไม่มีกิจกรรมพวกเหล่านั้น อย่างมาที่เป็นอยู่กันสําคัญสําคัญก็มีแต่มาก็มาฟังธรรมมาทานอาหารร่วมกันมีอะไรก็สังสานกันอาตมาก็บอกสั่งสานกันซี่คุยกันอาตมาอยากยังให้เป็นอย่างที่นี่นี่ต่อไปในสถานที่นี้ก็เป็นเหมือนสํานักตักศิลาวันพระวันหยุดแทนที่เราจะไปสมเรศเทมาไปเที่ยวเต ห, หาไม่เข้าเรื่องมาที่นี่ก็มาร่วมมาเย็น จะบอกว่าที่พักพรย่อนใจมันก็เป็นที่พักพรหย่อนใจได้นะมีธรรมชาติมีอะไรต่างๆเราก็ทําเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแม้จะเล็กจะน้อยก็เถอะก็มานั่งโอภาปลาไสกันตั้งกลุ่มคุยธรรมะกันอะไรต่างๆนานานดีไม่ดีบางสิ่งบางอย่างก็เออเรื่องการเรื่องงานเรื่องนนท์ น, นี้ก็ยังสัมพันธ์กันได้บ้างพอสมควรไม่ใช่ว่าจะแหมห้ามขาดอย่าเอาเรื่องโลกมาพูดในนี้เลยน ะ, นะขอให้พูดในเรื่องธรรมะนะ เรื่องการงานทางโลกไม่ได้เลยแหมมันก็ไม่ซีเรียสถึงขนาดนั้นหรอกมันก็ได้ได้บ้างเราจะพูดกันก็เพระสมควรทั้งโลกทางใดภาษาหรือก็คือเป็นความเป็นอยู่ด้วยกันส า, สารทุกขสุขดิบอะไรเราก็พูดกันได้มันก็เป็นธรรมะในระดับหนึ่งสารทุกขสุขดิบที่มีความปรารถนาดีต่อกันมันก็ต้องพูดถึงอยู่แหละโลกีมันก็อยู่ในโลกุตระโลกุตระนี่มันมีโลกีด้วย ส่นโลกีนั้นเขาพูดแต่โลกโลกเลยเขาไม่มีความหมายทางธรรมะเลยเขาไม่ยิง่งไม่รู้จักโลกุตระเลยนี่เขาก็ไม่มีเลยยิ่งไม่มีธรรมะเลยมีแต่โล ก, กีล้วนๆก็โหลาลาบยศฉันเสรนโลกีสู่รูปเดียวถ้าไม่มีธรรมะเลยมันโล ก, กีล้วนๆเลยเป็นโลกกระทำล้วนๆเลยแต่ถ้ามีธรรมะบ้างก็ยังพูดถึงสิ่งที่จะเจริญสิ่งที่จะขัดเกลาสิ่งที่จะเป็นไปด้วยความเจริญที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้าง ไม่ใช่ว่าโลภโมโทสันแต่ของตัวเองแก่แค้นอมหิตโหดร้ายแต่เขาตัวเองมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพรา ะ, ะนั้นถ้าบอกว่าเราพากาสายกันเนี่ยก็จะเกิดมนุษย์เกิดกลุ่มเกิดชุมชนเกิดสังคมที่ <c oughs> มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งอาชีพการงานสัมมาอาชีวะสัมมากรมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะจะอยู่ในมรรคองแปดหมดเลยเกี่ยวข้องกันเราก็คุยกันถึงอาชีพการงานก็ได้ มีความปรารถนาดีเรารู้ความพอเหมาะพอควรออควรพูดกันเท่านี้ควรอย่างนี้อย่างนี้บางทีเราพูดถึงเรื่องการงานของเราพระท่านผ่านมาก็บอกไปเดียวก่อนวัด ก, ก่อนพระท่านไปก่อนมันก็มีสมาคารวะรู้จักกาละโอกาสรู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรขนาดนั้นขนาดนี้นี่เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเห็นมหมยิ่งเรามีเนื้อหาธรรมะผู้ใดแหนมาถึงที่นี่ก็จะเอาแต่ธรรมะโอ้โหเรียกว่า ธรรมะจัดเลยเข้ามาวัดก็อย่ามาพูดเรื่องโลกอย่ามาพูดเรื่องการงานอาชีพไม่เอามันก็แข็งไปก็เอาเถอะเรารู้กันบางคนมีจริญแบบนั้นนะโอ้ไม่อยากเอาแล้วเรื่องทั้งโลกไม่อยากมาที่นี่เราอยากจะพูดเรื่องธรรมะก็ว่าไปเราก็รู้กันรู้กันละกั น, นคนนี้เนี่ยนางสาว ก, กรเรือนนายขอคนนี้แล้วโอโ้โหไม่ได้หรอกคนนี้ถ้ามาวัดแล้วไม่พูดเรื่องอื่นเราอย่าไปพูดเรื่องนั้นกันกบเขาแล้วก็ว่าไปแต่คนนี้พูดกันได้ ก็ว่าไปคนนี้พพูดกันได้คนนี้โอ้โหคนนี้นี่เดือดร้อนเรื่องงานการก็พูดกับเขามากมหน่อยเพราะว่าเขาทุกร้อนนั่นแหละเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องอะไรอะไรก็หาทางออกแก่กันและกันช่วยกันมันก็เป็นการช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะไม่ใช่ว่าแมมปิดเลยมาวัดแล้วจะเอาเรื่องโลกมาพูดยกตัวอย่างง่ายๆแล้วมาพูดการเมืองในวัดได้หรือเปล่าได้ได้แต่ว่าจะมาอภิปรายมาให้ปากกันมันก็เกินไป ก็มาพูดกันพอสมควรมีอะไรปรึกษาหาหรือกันคุยกันพอสมควรอถ้าเราคิดว่ามันก็ไม่เกินการอันนี้มันมันบอกตายตัวไม่ได้ใช่ไหมว่าคิดกําหนดพอหมาพอดีอะไรพวกนี้เป็นต้นอย่างนี้เรามีแหล่งที่พบปะสังสรรค์มีแหล่งที่จะรวมสังคมเป็นจุดศูนย์กลางมีผู้รู้มีผู้เข้าใจใครก็ตามก็เหมือนกับเป็นที่รวม <c oughs> มาแบ่งแจกกันมีอะไรก็เ อ, อื้อเฟื้อเพื่อฝ่มีความหมายยอดยอดมีความหมายเพื่อประโยชน์แก่กันและกันหรือเพื่อผู้อื่นอย่างมากเห็น<ล>แก่ตัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรามีจิตใจแต่จะเกื้อกูนผู้อื่นมากขึ้นมากขึ้นเมื่มขึ้นเพราะเราปฏิบัติตนเพื่อหมดตัวหมดตนไม่เห็นแก่ตัวจริงๆพระเจ้นก็จะมีคนชนิดนี้อยู่ในสถานที่นี้อยู่ในสังคมอันนี้มากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นมันก็มีที่มีเนื้อเนื้อที่บรี่มีอะไรล่ะมีมียาหรือมีเนื้อที่มันจะทําให้เกิดไปในทิศทางนี้กันไปด้วยกันมันก็ดีเพราะจะปรึกษาหรือถึงเรื่องงานการเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรมันก็มีสิ่งที่เป็นตัวฤทธ์เนื้อยาที่เป็นฤทธิ์ที่จะไปทางโลกุตระหรือไปในทางที่จะเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นเป็นใหญ่ ส่วนตนนี่เป็นน้อยหรือไม่เพื่อส่วนตนเลยไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตนเลยมันก็ดีไหมล่ะสังคมก็ไปได้ผู้ใดที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็อยู่รอดแล้วสบายแล้วเพื่อก็ไม่พูดอะไรเพื่อเข้าตัวก็มีแต่แตนแนะคนอื่นให้ลดละลงมาให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้ทุกอย่างก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอาตมายังนึกอยู่เลยว่าทิศ พ, พูดไปเนี่ยต่อไปสันติอสศกที่ทำเซกเป็นไสนาสนะแม้มันจะเล็กจะน้อย แต่พิสูจน์กันเลยว่าพลิกขินนูเนี่ยเล็กๆน้อยๆ น, ย น, ยนะมีที่ไม่กี่ไร่เนี่ยนะก็มีพวกเรามาใช้เป็นที่สังสรรค์ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจใช้เป็นที่เจริญธรรมเป็นที่ที่น่าบันเทิงเริงร ม, มาก็โอ้สบายมาที่นี่เราสิ่งแวดล้ลอมอะไรต่างๆนาะนาะตั้งเสนาสนะทั้งบุคคลทั้งอาหารทั้งธรรมะสปายะทั้งนั้นเลยเป็นปฏิรูปรเทศวาสะ เป็นสถานที่อันควรพึงอยู่พึงมาพึงเป็นพึงไป อ, อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทำบ้านของเราบ้างให้มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เอาสิซึ่งคนเดียวมันคงยากกันนะมันไม่พร้อมพระก็ไม่มีอยู่ในบ้านมีแต่พระพุทธรูปไม่ถามท่านถึงไม่ตอบสักทีนะมันก็มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าถ้าอยู่ที่นี่พระเออหลายองค์ถามตอบได้นะก็ดีกว่าบ้านเรา แต่ถ้าเราจะไปพระเสีเองเราก็คือพระเราก็แค่แค่นั้น น, นะนะดีได้เหมือนกันนะถ้าบอว่าเราเองเป็นผู้ที่อได้มีภูมิสูงคนก็จะไปบ้านคุณเหมือนกันเพราะให้คนเรารู้สถานที่ที่ควรไปบ้านใครนะมีคนดีเขาก็อยากไปแม้แต่บ้านแต่ละบุคคลยิ่งเป็นสถานที่กลางๆเป็นสถานที่ส่นสวนรวมอย่างนี้เราก็ไปเราก็มาเนี่ย yeah. อย่างนี้เนี่ยเป็นอาตมาว่าเจตนาที่อาตมาเข้าใจแล้วก็รู้ว่าวัดวาอารามหรือสถานที่ของส่วนกลางพวกคนก็มาช่วยกันนี่จะสร้างใมันเป็นอย่างไรผู้มีปัญญาจะทำมันเป็นอย่างไรก็ทำไปอาตมาบอกแล้ ว, วาอาตมาสร้างสถานอารามหรือวัดเนี่ยหนึ่งให้เป็นส่วนกลางที่พระผู้ไม่มีที่อยู่เป็นของตัวของตนแล้วท่านมาพักอาศัย แล้วก็ท่านก็ไปต้องยึดเป็นเราเป็นของเราอะไรหรอกเราก็พยายามอยู่นะไม่ให้ยึดเป็นของเรานี่กุศของเรานะนี่ตรงนี้เนะี่ยหมายนี่ของเราเลยนะอย่ามาใกล้เลยนะเนี่ยของข้าขยาดแตกมันก็ไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปมาอาศัยกันไปหมุนเวียนกันได้อะไรงนี้เป็นต้นพระมาบหนึ่งเป็นที่อาศัยพักพระที่ผ่านไปผ่านมาหรือจะพำนักอยู่ก็ตามเพื่อที่ทําประโยชน์แก่มนุษย์ชาติเอาท่านก็มาพักอยู่ สก็เป็นที่ที่จะเผยแผ่ธรรมะสามเป็นที่ที่เป็นอารามนีนหมายคำ ว, ว่าป่าอารามหรืออรันในหมายคำ ว, ว่าป่าเป็นป่าจะเป็นในวัดในเมืองก็ต้องเป็นวัดที่เป็นป่าป่าไม่ใช่เป็นวัดที่สร้างแต่คนกรีตเต็มเป็นป่าคนกรีตไอต้ต้นไม้รางไม้ตัดทิ้งไปนักเข้ามีแต่อาคารมีแต่อไอ้สิ่งกอ่อสร้าง ไอป่าอะไรแต่ อ, อะไรแต่ตามไม่เป็นรูปร่างของป่าเพราะฉะนั้น้ให้มีลักษณะของป่าให้มากกว่าบ้านจะมีอาคารก็ต้องมีบ้างแหละสมัยพระพุทธเจ้าก็ยังมีอาคารมีกุฏิมีวิหารต่้งหลายวิหารขนาดวิหารพันห้องพระพุทธเจ้าแต่ก็ให้สร้างลงไปในวัดนั่นแหละวิหารพันห้องสมัยเก่าไม่ได้สร้างขึ้นมาเหมือนตึกใบหยกนะที่จะสร้างขึ้นไปบนฟ้าประหารวิหารพันห้องมี3ชั้น4ชั้น4ชั้นก็คือชั้นยอดเทวนั้นเด็กซึ่งมันเตีย้ย มันไม่สูงส่งอะไรหรอกวิหารดูรูปแบบที่วัดราชนัดดาก็ได้นั่นแ่ะเรียกว่ า, าโลหะประสาทจำลองแต่ก็จำลองตามจินตนาการมันก็ไม่สมบูรณ์ทีเดียวแต่ก็ต้องมีเขามั่งละ่ะนั่นอย่างนั้น่ะมันมีวิหารชาัดมันไม่ได้สูงอะไรเปลวเป๋ยวลดตั้งพันห้องคิดดูซิว่ามันจะกว้างใหญ่แค่ไหนอ่ะนะ สมัยโบราณจริงๆมันก็ไม่มีเครื่องมือที่จะสร้างสูงๆอะไรได้เหมือนกับสมัยนีย้เครื่องมือเ ท, เทคโนโลยีมันไม่มีมากมายมันก็สร้างได้ประมาณ 1, หนึ่งพันน้องมันก็กินกว้างใหญ่ถ้าจะว่าแล้วแต่ก็ต้องมีปริมาณของต้นหมากรากไม้ป่าที่ดูแลก็มากกว่าแน่เพราะที่นี่เราก็เป็นอย่างนี้เราก็สร้างขึ้นมาก็พอเป็นได้ที่มันก็น้อยก็พยายามให้มีต้นหมากรากไม้มากๆมีไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติมีดินมีหินมีหน้ามีอะไรต่อไร ก็ทำได้อย่างที่ไหนก็แล้วแต่อาตมาทำที่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นจนเดี๋ยวนี้อาตมาว่าอาตมาไม่ได้ผิดเจตนารมณ์ที่ไหนก็ที่นั่นเริ่มต้นมาเลยก็ต้องเอาที่เป็นป่ามันมีอยู่แล้วก็ดีไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นเหมือนอย่างที่นี่ไม่มีต้องสร้างขึ้นนะที่ศรีสอาโศมีป่าอยู่เก่าก็บูรณะไว้ป่าก็ให้มีอยู่นะบูรณะเพิ่มเติมนะที่สาลยอโศกโอโหป่าชาเหมือนกันนะแต่มันมีไม่มีป่าแล้ว ส, สาลีอโศกอะ ใ ค, ใครรู้จักต้ น, ตนต้นมันเป็นที่ทิ้งขยะแล้วก็เป็นป่าช้าจริงๆมีเอาไปเผาไม่มีอะไรแล้วมีต้นตาลเตี้ยๆมีอะไรไม่ได้เรื่องจนทุกวันนี้ก็เขียวครึ้มขึ้นมาโดยเฉพาะที่สัตติอโศกนี่ไม่มีอะไรแต่ก่อนก็เป็นต้นหม้ระไม้ปทุมวิสุ์ก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเป็นป่าปทุมวิสุก็สร้างขึ้นจริงๆเหมือนกันนะอย่างสีมาอาโศกก็เหมือนกันปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมานไม่ไม่ใช่หมายความว่ามันมีอยู่เก่าอะไร ไปที่ไหนก็สร้างหมดแล้วก็จะพยายามบูรณะให้มันเป็นอารามก็คืออารามนะแม้แต่บ้านก็ควรให้มีต้นหมากรากไม้นะสร้างขึ้นบ้างพอสมควรเอาละมันอาจจะไม่มีที่มากมันอาจจะเป็นป่ามันก็ยังได้ที่วัดที่วาที่มีที่มากหน่อยไม่ได้ก็เอาเท่านั้นนะนี่ก็คือสิ่งประกอบที่เจตนารม์นะที่อาตมาเองอาตมาพยายามที่จะให้มันเป็นสภาพที่จะก่อให้เกิดครบครัน ก็ให้เกิดครบครันเป็นสถานที่ที่มาแล้วได้อะไรอะไรครบมาที่นี่หนึ่งให้เป็นที่พักของพระสอให้มีสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติเป็นอะไรแต่ดีดีสมีเป็นสิ่งที่มีความสกการะเคารพแม้ที่สุดต้องสร้างวัตถุสก arga เคารพขึ้นมานี่ถึงขั้นนี้แล้วมันก็มีแล้วแต่ที่อื่นยังไม่ได้สร้างเท่าไหร่อย่างที่ปฐมโศกสีสาลีอโศกสีสาโศกยังไม่มีเครื่องหมายที่เป็นวัตถุ เคารพสการะอะไรที่นี่เป็นแห่งแรกที่อาตมาต้องทําถ้าไม่ทําเสลยพวกเราจะไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรสการะเคารพอาตมาก็ตั้งต้นตั้งแต่วัตถุก็คือเอาพระบรมสารีริกธาตุเป็นหลักเลยว่าคุณจะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณว่าจะจริงหรือไม่จริงอาตมากอธิบายไปหลายทีแล้วพระพุทธรูปทำไม่จริงยิ่งกว่าคนยังเคารพกันยังอะไรดีก็รู้อยู่ว่ปั่นขึ้นมาจึนั่นนะ จีนก็ปัน่นหน้าเหมือนจีนพระพุทธรูปแหมแขกก็ปัน่นหน้าเหมือนแขกไทยปัน่นหน้าเหมือนไทยก็ดัดแปลงไปตามชอบเสร็จแล้วเราก็การาบเคารพเป็นวัตถุที่เคารพตั้งตั้งอธิษฐานด้วยหรือว่าทําอะไรด้วยคือเอาไว้สําหรับเป็นจุดยึดซึ่งคนเรามันจะต้องอาศัยเป็นที่ยึดถือบ้างเป็นธรรมดาอาตมาก็ทําขึ้นเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยอาเป็นสวนเป็นที่ส่วนกลางให้มีทั้งเป็นที่พักของสมณะพระ ผู้ไปผู้มาเป็นทั้งธรรมชาติเป็นทั้งที่ที่สักการะเคารพมีที่สิ่งที่สักการะเคารพและเป็นทั้งที่ทำงานสี่ประเด็นที่อาตมาหมายให้เกิดขึ้นมาในที่แคบๆสติอโศกไม่ได้ใหญ่ไได้กว้างอะไรเลยก็พยายามทาให้ขึ้นมานก็คิดว่าได้ครบนะ แต่นี่ยังขึ้นไปทำงานไม่ได้เลยก็ถ้างานอย่างนี้แหละก็ทําตามที่ที่มันเป็นไปก็ได้ทํางานทั้งสั ง, งสรรค์ทั้งทําอะไรเกรี่ยวก็ญาติโยมทั้งทํางานที่จะทํางานเผยแพร่ทั้งทํางานอะไรข้างในนี้ทําอะไรอะไรที่มันจะต้องกระทำงานการมันก็หลายอย่างหลายอันแล้วก็มีที่ทํางานเดี๋ยวนี้ยิ่งสมัยสื่อสรา ans, สรมวลชนสื่อสารไร้พรมแดนแล้วก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็มีห้องมีหับมีแหลบมีนวดมินิ i, ที่จะทํางานอะไรบ้างก็ได้เท่าที่ได้มีได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ ถ้าจใจกบขันกว่านี้ก็ต้องกว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้มากกว่านี้แต่ได้เท่านี้ก็ไม่กระดูกแทบออกนอกเนื้อนะเนี่ยแตมาทําไปทํามาเนี่ยกว่ากันไปเมื่อไรจะเสร็จไม่รู้เนี่ยยังมีคนพูดเล่นๆมันจะจริงเอาซะก็ไม่รู้นะแล้วนี่จะจะเปิดใช้หรือว่าเปิดฉลองฉลองจะฉลองเสร็จเรียบร้อยฉลองได้เมื่อไหร่เนี่ยสงสัยพร้อมๆ ก, ก, กันนะครบรอบ 12หกเป็น72บสองหกรอบอัตมาสละมังถ้าหรอบเดี๋ยวก็อีก9ปี8ปีเก้าปีเนี่นะเสร็จฉลองโอ้โหยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ก็พยายามเหมือนนะก็ทำกันไปให้มันได้เร็วหน่อยอะไรหน่อยมันก็ได้เท่าที่ได้ไม่รู้ทำไงทั้ง ผู้ที่จะมาสร้างมาช่วยทําทั้งทุนรอนทั้งอะไรต่ออะไรด้วยก็ว่าไปนะก็พอไปไปได้นะอันนี้ก็ทําเล่าอะไรต่ออะไรที่มันเกิดของจริงขึ้นมาประกอบ ก, บ, กบกับการอธิบายให้ฟังว่าการทํางานศาสนานั้ น, นจะต้องเข้าใจถึงเสนาสนะนะทั้งบุคคลทั้งอาหารทั้งธรรมะเข้าใจทั้งทายิ่งเข้าใจในเรื่องของอุตต พีชะจิตกรรมธรรมะที่อาตมาอธิบายอยู่ในเราคิดอะไรอยู่ตอนนี้ด้วยก็ยิ่งจะครบคันนะยิ่งจะครบเลยเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่มีพลังงานไม่มีบทบาทไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีพลังงานอะไรมาเกี่ยวข้องสิ่งนั้นไม่มีอะไรมันก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะศูนย์ก็ศูนย์า สมมติว่าคุณมีก้อนหินก้อนหนึ่งนี่อยู่กลางศูนย์อากาศเนี่ยอยู่กลางศูนย์อากาศหินก้อนนี้จะอยู่นานนานๆา น, น, า น, น, านมันจะเสื่อมใช่ไหมมันไม่มีพลังงานแล้วมันก็จะไม่เคลื่อนไปไหนมันีะอยู่ในศูนย์อากาศมันก็จะอยู่เข้าไปอย่างนั้นน่ะไปนานเท่านานเลยโอ้โ ห, โโหกี่ล้านปีก็ไม่รู้ละแต่ความจริงแล้วเนี่ยสภาพจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นสภาพจริงมันเคลื่อนที่มันมีพลังงานใช่ไหม พระอาทิกก็เคลื่อนที่กาเล็กซี่ก็เคลื่อนที่อะไรอก็เคลื่อนที่เนจนิโลบมนุนิเคลื่อนที่ยิ่งคลื่นที่เร็วเร็วเร็ไปในส่วนที่เร็วยิ่งเร็วก็ยิ่งสลายเร็วน ะ, ระนะเพราะจะนั้นเริ่มต้นที่บอกว่าห้าอย่างนี้อุตุนี้เป็นพลังงานแล้วนะอุตุเป็นพลังงานแต่พลังงานอันนี้ไม่มีชีวะ พลังงานอะไรก็แล้วแต่เมือกับเขากําลังสร้างพลังงานอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ให้เคลื่อนไหวให้มันกรอบก่อเลือให้มันสลายจะสลายก็ได้จะกรอบก่อก็ได้ให้เกิดหรือให้ดับสลายก็คือดับให้ก่อเกิดก็คือให้ให้มันมีพลังสร้างสัตว์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็มีทั้งสร้างและทําลายเท่านั้นเองทีนี้จะสร้างหรือทําลายแล้วอะไรที่เราจะต้องการให้มันทรงอยู่นาน คุณความดีหรือสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นสันติสิ่งที่เป็นสิ่งที่สมดุลสมบูรณ์สิ่งที่เป็นสิ่งสมดุลสมบูรณ์นั่นแหละเราทําให้มันได้อย่างนั้นและให้มันอยู่นานๆเพราะอันนี้มันเป็นคุณค่าประโยชน์เราก็ทําผู้จะรู้อย่างนี้ก็คือต้องพูด้เข้าใจหมดเลยเข้าใจตั้งแต่วัดสดุตั้งแต่ดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นมาเป็นอุตตุเป็นพลังงาน เพราะงี้ตั้งแต่เป็นดวงอาทิตย์มันมีพลังงานร้อนก็คือร้อนหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่เป็ น, ปนพลังงานเย็นก็คือเย็นพลังงานเร็วก็คือเร็วพลังงานช้าก็คือช้าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กแสงเสียงเป็นฟิสิกส์เป็นพลังงานทางกลศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดขึ้นมาในนี้อุตุเกิดพลังงานอะไรขึ้นมาด้วยนยัยยะศาสตร์ต่างๆที่อาตมาจะ กล่าวคร่าวๆนี่ก็ตามจึงเรียกว่าอุตุทั้งสิน้นแต่ยังไม่มีวิญญาณไม่มีช่วชีวะจากอุตตุก็มาเป็นผีชะมามีชีวะแล้วผีชะเป็นชีวะแล้วนับเป็นชีวะเป็นพลังงานแต่พลังงานที่มันมีอะไรในตัวก็มันมีชีวะพึ่งตนเองสร้างตนเองเป็นไปด้วยตนเองได้เองนะมีตัวสังเคราะห์ในตัวเองได้ แต่พลังงานพวกนี้ไม่สังเกตตัวเองทําปฏิกิริยาเฉยๆปฏิกิริยาตามอย่างนั้นปฏิกิริยาแม่เหล็กปฏิกิริยาไฟฟ้าประิฏิกิริยาแสงปฏิกิริยาเสียงก็เป็นปฏิกิริยาเฉยๆอุตุส่วนเจ้าพีชานี่มีมีแรงดูดแรงผลักของตัวเองเพราะฉะนั้นพีชาก็คือพืชทั้งหลายแหลนั่นแหละผีชามีพลังงานในระดับหนึ่งเหมือนชีวะแล้วไม่ใช่เหมือนเรเรียกว่าชีวะในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ถึงชีวะในระดับจิตตักหรือจิตปญญาเนี่ยแบ่งไว้ชัดชาติเลยเพราะ้เราก็จะรู้พลังงานต่างๆแต่ถ้าพลังงานอุตตุพลังงานผีชะพลังงานจิตจนกระทั่งถึงกรรมกรรมนี่จะต้องเกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวข้องกับพีชะเกี่ยวข้องกับอุตตุและเกี่ยวข้องกับธรรมะเพราะฉะนั้น เป็นตัวกลางที่จะมีปัญญามีภูมิรู้จะรู้อุตตุจะรู้ผีชะจะรู้กรรมจะรู้คุณค่าคือธรรมะรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรรู้ไม่ควรรู้สูงสุดไม่สูงสุดรู้ขนาดโลกุตระธรรมหรือโลกีธรรมอย่างสมบูรณ์ธรรมะจะต้องรู้คนที่มีจิตปิญญาณนี่จะรู้ เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเมื่อรู้แล้วทีนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเราอาศัยอุตตุเราอาศัยผีชะเราอาศัยจิตจิตเป็นเจโตจิตเป็นปัญญาเดี่ยเบียดง่ายสันส้นๆก่อนแล้วก็จิตก็จะรู้กรรมกรรมนี่แหละเป็นตัวที่เป็นกรรมโยกรรมมัสโกมหิกรรมทายาโทรกรร ม, มโยนิกรรมพันธุกรร ม, มปฏิสระโน กำมังสตัตตเวิภพชติโอ้โหพูดภาษาบาลียังกับป ร, รีย น, นปรียนศูนย์นัตมาปรียนศูนย์ปรียนศูนเนี่ยมันเหนือชั้นกว่า9ก้นะพอเจ็ปาศู น, น, ศนมันเหนือชั้นเกินเก้า 9, นะกรรมเป็นของเรา จะรู้ว่ามันสําคัญมากที่อาตมาขึ้นต้นแล้วว่ากรรมนี่คือพระเจ้าหรือคือซาตานเพราะฉะนั้นกุศลกรรมก็คือพระเจ้าอากุศลกรรมก็คือซาตานอยู่ในตัวคุณเองจะบันดอบันดาลได้จริงๆด้วยถ้าคุณสั่งสมกุศลบันดอบรรดาไปในทางกุศลถ้าคุณไม่สั่งสมกุศลสั่งสมอ ก, กุศลคุณจะไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่ไปยังนี้ไม่เป็น คุณสั่งสมอกุสนั่นมานะซาตานลากคุณไปแน่บันดาลหรือบันโดนบันดาลคุณไปแน่ถ้ามันมากพอของคุณมากพอคุณฝืนไม่ได้อย่างที่พูดกันมาเนี่ยแต่ดึกดําบันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ฟ้าสั่งอะไรทุกทอย่างก็ไปไปตามฟ้าลิขิตอะไรนี่สํานวนหนังจีนอะไรฟ้าลิขิตก็คืออํานาจกรรมนั่นเองซึ่งเราไม่รู้ได้ไง่ายๆเลยแต่ถ้าใครศึกษาดีๆแล้ว สามารถจะรู้อํานาจของกรรมจะเชื่อกรรมเชื่อวิบากอย่างศาสนาพุทธนี่เชื่อกรรมเชื่อวิบากตั้งแต่คุณเริ่มอธิษฐานหรือตั้งใจเพราะงั้นในทุกๆวินาทีต้องตั้งใจให้เป็นกุศลนี่ถ้าใครไปเรียนอภิธรรมมาเนี่ยโอ้ยเขาจะเน้นกุศ ล, ลจิตกุศ ล, ลจิตต้องอย่าทําให้จิตเศร้าหมองต้องอย่าทําให้จิตเป็นอกุศลจิตไปไม่ว่าอย่างไรเลยจะเป็นไปได้โลบนี่ นิดหนึ่งก็ไม่เอาโกรดนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ให้เกิดจริงคุณตั้งจิตไว้อย่างน้อยคุณกิเลสมันมันมันมีอํานาจมันจะตั้งให้ไม่โลภเลยมันจะตั้งให้ไม่โกรธเลยบางทีมันก็ยากแต่อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีไหวพริบจะต้องมีสติสัพพัญญารู้ตัวเองว่าอารมณ์ของจิตของเราเนี่ยเมื่อใดมันเศร้าหมองพยายามไม่ให้มันมีเลยพยายามขจัดออกจะออกอย่างไรคุณพยายามทําเลยวิธีใดๆก็แล้วแต่ ถ้าคนทำจิตของคุณไม่ให้เศร้าหมองเลยตลอดการคุณก็สุขสําราญบานใจตลอดการใช่ไหมมันจะมีอุปสรรคมันจะมีเรื่องมาชนมันจะมีเรื่องอะไรมา ป, ปจันปจจนนันอย่างไงก็ตามแต่ะและเราก็จิตเบิกบานร่าเริงให้มันได้เสร็จแล้วก็พยายามให้จิตมันมีปัญญารับรู้สิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับเราแล้ววิวจัยวิเคราะห์อะไร ขณะนี้เรากำลังประสบกับอะไรกาลังเจอกับอะไรหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็รู้มันให้ได้ถ้าเราไม่มีพลังงานที่ไปทำให้เราอึดอัดขัดเครื่องเศร้ามองหมนมอ ง, ม, อ ง, ม, องมันไม่ใสอะ่ะมันก็จะดีถ้ามันไม่มีสิ่งทางอย่างนี้เลยนะทางไปทางมองหมน อ, อ, อ, อับเฉาเศร้าใอ ย, ยิงอึดอัดยิงเครียดยิงตือ่อยิงอะไรโอ้มันยังไม่รู้เรื่องเลยมันจะยิ่งโง่ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจให้เบิกบานร่าเริง ม, มีอะไรก็บพบอะไรจะมาก็บพบอย่าไปกลัวเลยบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โครจรมาเจอเราเนี่ยนะวิบากของเรามันไม่ได้มีส่วนพัสมพันอะไรกันเลยมันไม่เจอคุณหรอกคุณอยากได้มันยังไม่มาเลยทุกอย่างมีวิธีโครจรทั้งนั้นนวิธีโครจรสมมติว่ามันโครจรมาใกล้ๆเรานี่นะถ้าเราเอื้อมถึงเราก็ยังพยายามเอื้อมมันก็จะไปถึง แต่มันโคจรมาผ่านเราเนี่ยเราไม่เอื้อมไปถึงเราไม่เจตนาจะเอาเราก็จะไม่สัมพันธ์กันต่อให้เฉียดกันเลยแต่เราไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องต่อให้เฉียดกันเลยแล้วเราไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรามันก็ไม่สัมพันธ์กับเราฟังนะกธรรมอธิบายให้เป็นรูปธรรมไม่ฟังเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมันอยู่ที่เรานี่ต่อเมื่อคุณมีอํานาจของตัวเองหมดนะ แต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะไม่เกี่ยวข้องแต่มันจะต้องมาเกี่ยวกันแน่นอนมันมีแรงดูดมันมีแรงสัมพันธ์มันมีอะไรอยู่จริงๆสัมพันธ์กันหนักๆด้วยตั้งจิตกันไว้ว่าหนาและอาฆาตร้อยชาตินะอาฆาตร้อยชาติแล้วตั้งเรื่อยเลยนะไม่ใช่ตั้งทีเดียวตั้งไว้เรื่อยนึกถึงอะไรอาฆาตมันต่อถึมันอาฆาตมันต่ออาฆาตมันต่อคุณก็เป็นจริง สั่งสมลงไปสั่งสมงกรรมเป็นอันทำคุณตั้งจิตหรืออธิษฐานจะอาฆาตก็อธิษฐานอาอธิฐานรักผูกพันโอ้จะต้องไปเกิดเป็นวานิชมาและเป็นการมณิทวาสิทธิไปนะอีกร้อยชาติพันชาติแสนชาติผูกกันไปคุณก็สั่งสมจิตอธิษฐานคือตั้งใส่จิตเมื่อไรก็มีแต่อารมณ์อย่างนี้เมื่อไรก็มีอาการอย่างนี้ใส่จิตใส่จิตใส่คุณก็ผูกกปทีแล้วเมื่อไรมันจะล้างกันออกเนี่ย เอาเถอะคุณบอกว่าอย่างนี้มันหวานมันชื่นมันสุกกันนะคุณก็หวานไปเถอะแต่ไอ้วันหวานเนี่ยธรรมาก็เห็นว่ามันหวานเมันคืนมันขมปนอยู่ในนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่มันไม่หวานตลอดร้อมันไม่จริงหรอกนะมันเป็นของหลอกของโลกหลอกมานานแสนนานแล้วพระพุทธเจ้าคนพบเรื่องนี้ว่าโอ้ไอเรื่องนี้ที่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนพบหรอกไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนพบองเดียว ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะศาสนาอื่นเขาก็ค้นพบเหมือนกันแม้แต่เรื่องราคะเรื่องกามพวกนี้เขาก็รู้ว่ามันควรพลาดควรจากศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์นะเขาก็พยายามพลากจากเหมือนกันนะพลากจากเหมือนกันหาวิธีแต่กองรุ่นเจ้านะั้นเรียนรู้ก็ไปถึงจิตจริงๆเลยอ่านจิตอ่านอาการให้รู้เลยว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการราคะอาการอย่างนี้เป็นอาการกามถ้าเราบอกว่ า, วานิพพานดีกว่าคนที่มี ภูมิปัญญาด้วย่าโอ้ดิพานเนี่ยวิเศษกว่าเลยหลุดพ้นไม่ต้องไปมีรสสุขในกามไม่ต้องไปมีรสสุขในเรื่องที่จะต้องไปผูกพันไปต้องสัมผัสเสียดสีแล้วก็เกิดรสเกิดชาิเป็นอัศธ า, าอะไรเลยได้โอ้โหสิ้นแม้แต่กามทางรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ต้องพูดถึงเรื่องแค่ผู้หญิงผู้ชายแม้แต่สิ่งที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกลิ้น เรารู้ในโลกว่าอันนี้เขาสมมุติกันว่าสวยเออสวยก็สวยแต่เราก็ไม่เกิดจิตว่ามันจะต้องเป็นรสอร่อยอะไรอย่างนี้เขาว่าไพร่เราก็เออก็รู้สมมุติว่าไเร่แต่เราไม่ต้องเกิดจิตว่าเราจะต้องอร่อยใจถ้ามีไเร่ถ้ามีกลิ่นอย่างนี้เออหอมก็อร่อยใจถ้ามันเหม็นก็มันทุกข์อะไรมันไม่ต้องหรอกหอมก็คือหอมเหม็นก็คือเหม็นนะมันเป็นอาการอย่างนั้นรสชาติอย่างนี้จะเปรี้ยวจะหวานจะมันจะเค็มอะไรก็คือรส ไม่ได้ติดใจว่าอย่างนี้เราชอบนะอย่างนี้เราไม่ชอบนะถ้าจะบอกว่าลาวหรืออีสานเราแบบปันแดกเนิดหม่อยมันรสดีเหลือเกินนะมันกลิ่นดีเหลือเกินนะแต่ไปให้ฝรั่งบอกว่าปันแดกนี่เราโอ้โหมันอ้แตกเลยอะไรเงี่ยมันมาดูว่าปันแดกอะไรว่าของเน่าหมดเหม็นจัดไปหอมได้ยังไงรสมันก็อย่างนั้นนะมันจะไม่ได้เรื่องอะไรงี้เป็นต้นก็แล้วแต่สมมุติแต่ถ้าเราสมมุติแล้วว่าเ อ, ออย่างนี้มันก็เป็น เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจเราก็หลงมันว่าน่าชื่นใจแต่ถ้าเราไม่สมมุติอปแดกก็ปแดกกระป ร, ะรากระปราถ้ามันเป็นประโยชน์ไหมล่ะมันไม่เป็นโทษมันเป็นประโยชน์ก็ใส่เข้าไปเลยนะรับประทานเขาให้นะบ12เยอะนะว่างั้นนะเขาว่าแคลเซียมเยอะดีด้วยนะปลาราว่างั้นนะอ้าวก็ว่าไปแต่นี่เราก็พูดไปไงั้นนะเพราะว่าเราเองเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วเราก็ทําปลาราเจ ปาราเจเหมือนนะนะพอเราทำเนี่ยโอ้โหกลิ่นเกินนะัพอกันเลยคือเหม็ น, เห ม, นเหมือนกันนะโอ้โหทำเหม็นมันไม่ยากเท่าไหรนะ่น้อปาราเจรสชาติก็ใ ก, กล้เคียงอะไรก็ว่าไปนะนี่ก็ว่าอปรอะไรเรื่อยๆไปผสมผสานเกิดมาสรุปแล้วว่าคือเราจะต้องรู้ต่อสัมผัสทุกอย่างแล้วมันไปสมมุติว่าไอ้นี่ชอบไอ้นี่อร่อยไอ้นี่มันสมมติทั้งนั้นนะจนคุณมาล้างสมมุตินี่ออกได้จริงๆนะั่นละคุณจะรู้ว่าโอ้โหคน สมมติทางนั้นนะจนคุณมาล้างสมมุตินี้ออกได้จริงๆนะแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหคนเรานี่มีตาหูจมูกลิ้นกายมาเห็นจะต้องไปเป็นทาตุว่าอย่างนี้ต้องอร่อยตรงนี้ไม่อร่อยอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบไม่ต้องไปเป็นทาตตาหูจมูกลิ้นกายตนเองมันมีในโลกนี้ก็ออกมีก็มีอะไรสมเหมาะสมควรมีปัญญารู้อันนี้สมควรจะรับก็รับอันนี้ไม่สมควรไม่รับก็ไม่รับอยู่อย่างอิสระเสรีเลยไม่เป็นทาตแม้แต่ เรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่มันก็มีรูปแดงก็คือแดงเขียวก็คือเขียวเหม็นก็คือเหม็นหอมก็คือหอมนะเสียงอย่างนี้เขาสมมติว่าไพ่รอมไปไพ่รอมมันก็คืออย่างนั้นแหละอ่าแล้วแต่นะจีนฟังเพลงจีนก็บอกโอ้โหมันดีไทยฟังบอกเพลงอะไรวะนะแล้วแต่คนสมมุตินะถ้าเพลงไทยคนจีนหรือคนฝรั่งมาฟังก็บอกโอ้โหทำนองมันยังไงวะเพลงไทยมันก็ไม่ สตรบซึ่งต้องไปฟังคลาสสิกอย่างฝรั่งว่าเล่นคลาสสิกถึงมันคนไทยก็บอกอะไรมันว่าไม่รู้เรื่องคลาสสิกเลยนัน่นี่มันก็สมมุติกับคนเราสมมุติกันไปแต่เราก็เข้าใจแล้วเราก็เออก็เป็นอย่างนั้นเนี่ถ้ามาเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็เอามาประโยชน์โดยเฉพาะเราเองไม่ต้องเป็นประโยชน์กับเราแล้วนี่สมมุติต่างๆพวกนี้ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ต้องเอาประโยชน์อะไรกับเราเลย ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยก็ได้ถ้าจะเกี่ยวก็เกี่ยวเพื่อประโยชน์ผู้อื่นยาตมานี่อาตมาบอกได้ชัดๆเลยว่าอาตมาไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องนุงน่งนุ่งห่มจะต้องไปสมมติว่าอย่างโน้นอะเทจะต้องไปแต่งสูตรจะต้องไปแต่งวาเวอร์ซาเชจะต้องไปแต่งไม่ต้องก็นุ่งห่มอะไรก็ก็ได้จริงๆแต่เขามีสมมติไหมเขามีนะสมมตินะสมมนุ่งห่มจีวรเนี่ยเป็นชุดจีวรนี่ถ้าเห็นชุดจีวรเนี่ยโอ้โหเขาต้องกล่าวแล้วกันคือพระ แล้วก็เชื <ๆ S 1> ่อถือก่อนเลยจิตวิทยายอมรับก่อนกันถ้าอย่างี้นี่อะไรวะเนี่ยจะว่าชีก็ไม่ใช่จะว่าพรามก็ไม่เชิงแล้วมันอะไรมันก็เกิดสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์ในสมมติในโลกอย่างนี้เป็นตน้นเราก็บอกเออถ้าเราได้นั่นก็ดีแต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันมันถูกบังคับถูกอะไรอะไรมันไม่ได้มันก็ยากขึ้นก็ยากวิบากของเรา ก็ว่าไปาถ้าจะมองไปในแง่ดีว่าดีเหมือนกันนะเป็นการไม่ให้ติดยึดสมมุติใครที่เป็นตามองไม่เห็นเนื้อในเจ้าเงาะคุณเห็นนี่เนื้อเงาะแล้วไปแต่คุเห็นบอกเฮ้ยดูดีๆที่นี่ยิ่งเขาไปใกล้ ย, ยิ่งสัมผัดทองคํานะในทองคําเห็นสังทองเนื้อใน คน เ, เขาได้คัดเลือกคนแล้วอ่ะเราก็ได้คัดเลือกคนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าจะมองไปในแง่ดีมันก็ได้มีดีจะมองไปในแง่ไม่ดีก็ไม่ดีแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่ต้องไปลาบากลำบนนักแต่ชุดอย่างนี้ไปดีกว่าดีเหมือนกันนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้คืนไม่ได้คืน <Yeah. S 2> เราทําอะไรของเราได้แล้วเราก็มีจุดยืนของเราเราก็รู้ว่าอะไรคืออะไร พระแม่พูดได้ที่อิสระเสรีอย่างแท้จริงแล้วเราไม่เป็นท่าอะไรมันสบายที่อาตมาพยายามจะอธิบายฟังก็คือว่าคนว่ามาทางาาโล ก, กุตระมาทางนิพพานมาทางอะไรนะั้นเอ๊ะถ้าผมมาเป็นล้างกิเลสหมดแล้วมันมีรถไม่มีชาติแล้วมันจะอยู่ยังไงอาตมาขึ้นต้นเทศเดีวยวกันว่าโอ้อาตมาทุกปณิสุขสําราญบานใจอาตมาพูดใช้ภาษาใช้จำนวนอาตมาไม่ได้ไปกระดี่กระดาอะไรกับโลกโลกเขาทุก แต่อัตมาว่าอัตมาไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าอัตมาไม่รู้และไม่ใช่ว่าอัตมาไม่มีความเข้าใจหรือว่าไม่เห็นใจเขานะอัตมาก็เห็นใจเขาแล้วก็พยายามทำงานเพื่อช่วยเหลือเขาอยู่เพราะธรรมดาอัตมาเองอัตมาว่าอัตมานะ่ยมันลงตัวแล้วสบายๆเนะี่ยเศรษฐกิจจะขึ้นยังไงอัตมาก็เท่าเก่ากินเท่าเก่าใช้เท่าเก่า ที่กินเท่าเก่าใช้เท่าเก่านี้ก็น้อยแล้วไม่ได้กระเทือนกับสังคมโลกเขาไม่กระเทือนเพราะอะไร <S <s <Eat>. <S เพราะอาตมากินเท่านี้ใช้เท่านี้แต่อาตมาทํางานถ้าตีค่าราคาผลงานหรือว่าพลังงานหรือว่าสิ่งที่อาตมาสร้างอยู่ทุกๆวันเนี่ยราคามันทั่ววันนี้ไปตั้งเท่าไหร่ที่อาตมากินอาตมาใช้และอาตมาก็ไม่ได้สะสมไม่ได้กอบโกยไม่ได้กักตุนเอาสิ่งที่ค่าที่อาตมาทำทุกวันทุกวันเนี่ยไว้ของตัวเลยสะพัดเอาไปสู่เขาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอาตมาเองอาตมาลงตัวอาตมาลอยตัวเด็ดขาดเลยว่าอาตมาไม่กระทบกระเทือนต่อให้เศรษฐกิจมันกว่านี้กว่านี้ก็ยังไม่ถึงขีดที่ว่าจะทําให้อาตมานี่ต้องเดือดร้อนเพราะอาตมากินน้อยใช้น้อยกว่าที่อาตมามีประสิทธิภาพมีสมรรถนะที่ได้สร้างอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเกินก็ฉะนั้นยังเหลือเฟือยังไม่เข้ามาใกล้เลยอธิบาย ต่อไปแม้แต่สังคมของชาวโศกเศรษฐกิจอย่างนี้อย่าว่าแต่อาตมาคนเดียวเลยเศรษฐกิจของชาวโศกทั้งหมดที่รวมกันอยู่นี่บางคนมีพลังงานหรือว่ามีประสิทธิภาพน้อยก็าตามทั่วเฉลี่ยกันแล้วสังคมเศรษฐกิจข้างนอกยังไม่กระเทือนโศกเลยยังไม่กระเทือนจริงๆไม่ใช่ว่าเราพูดอดเก่งอวดดีะมันลอยตัวแล้วไม่ใช่ลอยเงินบาท ไม่ใช่ลอยเงินบาทมันลอยตัวคือมันไม่ผลกระทบมันไม่ถึงที่ไม่กระทบไม่ถึงเพราะเราคุ้มมีภูมิคุ้มกันมีคุณค่าพอเพียงเหลือเรากินน้อยใช้น้อยแต่สร้างสรรค์มากอันนี้แหละคือภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์มากแล้วก็ไม่ได้เอาเก็บกักตุนไว้เป็นของตัวของตนด้วยสัพัดออกไปอยู่ตลอดเวลาแรงสัพัดอันนี้แหละเป็นแรงที่ทําให้อันนู้นเข้ามาไม่ถึง แรงของโลกรีของเศรษฐกิจนอกเศรษฐกิจฟองสบู่มันเข้ามาไม่ได้ยกตัวอย่างให้ชัดอีกยิ่งคุณต้องกินต้องใช้อย่างนั้นคุณต้องไปเล่นอย่างนั้นคุณจะเราไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมนี่เป็นรูปธรรมยิ่งข้างนอกเราไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แล้วเราก็ทําอยู่อย่างเก่าอ่ะอย่างที่เราทําเนี่ยมันก็ยังคุ้มยังไม่เท่านั้นเรกเราเองเราลดฐานะลงหน่อยหนึ่งด้วยซ้ําเช่น ลดนะฟังดีๆนะขณะนี้นี่ชมรอขึ้นราคาข้าวแกงขึ้นเป็นจานละแบาทนี่เราลดฐานะของเราลงนะลดนะไม่ใช่เราได้นะเราเพิ่มราคาข้าวแกงขึ้นจานละแดบาทเนะี่ยเราลดฐานะของเราลดก็ยังภูมิคุ้มกันก็ยังดีอยู่นั่นเองข้างนอกยังมาไม่ถึงเลย ยังมาไม่ถึงอธิมาก็มันดูจะอธิบายไงมันสภาว่าซับซอ้อนพวกนี้มันเยอะนะมันเยอะเราลดศักดิศีเราลดสิ่งที่เราให้แก่เขาคือเราเอาแปดบาทนี่เราก็เอาน้อยเอาน้อยลงไม่เราเอามากขึ้นเราเอามากขึ้นนี่เราให้แก่เขาน้อยลงเข้ามา <c oughs> เราเอา8บาทแต่ก่อนนี้เอาแค่ 7, เจ็ดเจ้วันนี้อาจานเอ า, าแปดมันก็เอามากขึ้นก็คือเราให้เขาน้อยลงถ้าเราเอาเจ็บาทเราก็ให้เขา มากขึ้นอีกเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มยิ่งนะว่าอ้าวเศรษฐกิจของคุณนี่นะขึ้นจานละยี่สบาทแล้วยาละยี่สิบห้าบาทแล้ยายบอกเอ๊แต่ก่อนเรานี่เราขายมาเจ็บาทเราลด6บาทด้วย่าโอ้ยิ่งแน่เลยทีนี้ครับเราเขายิ่งยู่ทึ่งใหญ่เลยบอกโอ้ยพวกนี้มันอยู่ได้ยังไงของมันว่าเฮ้มันลดราคาย่ยยันขึ้นอีกเลยนะเนี่ยอมันอยู่ได้ไงจริงๆน้อาตมาว่าต่อให้อโศกนี่ขายลดจากเจ็บาทมาขายหบาทก็ยังอยู่รอดคุณเชื่อไหม เชื ok ่อไหมรถออกมาถึงหกบาทก็ยังอยู you know. ่รอดเลยเศรษฐกิจอย่างนีああ้อ่ะท like, ี่เห็นมาว่าเราร้อยตัวเราไม่กระทบกระเทือนเห็นไหมมีแหล่งผลิตมีพลังงานที่เหลือมีความกินน้อยใช้น้อยความสร้างสรรค์มากคุ้มตัวมันไม่ล้มละลายมันไม่อดจ่ามันไม่กระเทือนจริงๆเนี่ยต่อมาก็พยายามหยิบรูปปรธทับที่เกิดแล้วพวกนี้มาอธิบายสู่พวกคุณฟังเหมือนอธิบายเศรษฐศาสตร์นั่นเนี่ยแต่ว่ามันเศรษฐศาสตร์นอกระบบ มันเป็นภาษาลูกทุ่งมันไม่ได้เป็นหลักการอะไรทางสังคมนอกเลยโดยเราไม่ต้องไปกู้นะ TMF ไทยไม่ใช่ IMF ไม่ต้องกู้มาเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปกู้เงินข้างนอกมาเลี้ยงครอบครัวโสกเลยเห็นไหมว่าอยู่รอดเห็นไหมตอนให้ลดลงไปถึงหกบาทด้วยก็ยังอยู่ได้ ไม่รู้อาตมาพูดแสลงไปเล่นๆแค่น m. M. Rage, ph, ั้นน่ะ IMF ก็คือ IMF เอ่อ TAF ก็อาตมาก็พูดเปมือนกันนะมันมันมันมันไม่มันไม่ไม่ตรงกันทีเดียวหรอกมันอะไรนะ Monetary Fund ไอไอมันอะไรอะ International อันนี้เราก็ไม่ hey. uh, International ทีเดียวเราเอาแค่ไทยอ่าไทย Monetary Fund เราก็ไม่ต้องไปเอาเงินข้างนอกจากประเทศไทยมาอีกเพราะว่าเรา เราเท่านี้ก็คุ้มแล้วเราอยู่ได้อยู่รอบอย่างนี้เป็นต้ น, นเราไม่ต้องไปเอาถึงขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไปได้นมันเป็นไปได้ใช่ไหมนี่คือยกตัวอย่างสิ่งที่มันเป็นจริงมีจริงให้ฟังว่าการหลุดพ้นที่ใช้ภาษาว่าหลุดพ้นหลุดพ้นโลกนี่คือโลกสังคมก็เป็นอย่างนี้โลกทั้งหมดทั้งมวลโลกสามัญก็เป็นอย่างนี้แต่ของเรามันลอยตัวมันหลุดไม่เกี่ยว คุณดึงไปคุณร้อนเราไม่ร้อนด้วยอ่ะคุณร้อนเราไม่ร้อนด้วยมันหลุดพ้นอ่ะมันมันมันอยู่ด้วยกันนะไม่ได้เป็นนี้นะไม่ได้หนีไปนะไม่ได้ห่างกันไปหรอกอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่ามันหลุดพ้นไปแล้วในตัวมันรอดมันอิสระมันลอยตัวมันไม่กระเทือนไม่กระทบกระเทือนอย่างที่คุณเป็นเราไม่เป็นคุณร้อนเราไม่ร้อนท่านพุทธทาสบอกว่าก้อนน้าแข็งกลางเตาหลอมเหล็กโอ้โหเตาล้อมเหล็กอุณหภูมิขึ้นเยอะเลยนะก้อนน้าแข็งเย็นเฉยอยู่เลย แล้วเปก่อนน้ำแข็งที่ต้องแข็งตัวให้ดีนะแข็งไม่ดีละลายถ้าก่อนน้ำแข็งนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันสูงละลายนะก่อนน้ำแข็งนี้ไม่มีประสิทธิภาพถ้ามีประสิทธิภาพก็เป็นก้อนน้ำแข็งทรงอยู่ได้แล้วไม่ไม่ไม่ร้อนกับเขาไม่ร้อนกับเขาเนี่ยนี่คือวิชาของพระพุทธเจ้ามาถึงวันนี้แล้วก็มาทำกันได้ขนาดนี้แม้แค่นี้นี่ดีกันมั่งหรือยังนี่ดีกันมากมายหรือยังดีกันมากหรือยัง มากแล้วเหรอมากกว่านี้ได้อีกไหม <S <S ได้มากกว่านี้ได้อีกอาตมาว่าดียังไม่มากเท่าไรหรอกแต่มีคุณลักษณะของโลกุตระพอสมควรเนี่ยมีพระอาโซนี่มีลักษณะของโลกุตระธรรมพอสมควรที่อธิบายได้บุญนิยมหรืลักษณะเป็นอยู่อย่างไรพรวกเราเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยอธิบายได้แล้วตอนนี้พอสมควรมีหลักฐานยืนยันพอสมควรดีขนาดนี้ ยังขนาดนี้เลยถ้านดีกว่านี้จะเป็นงไงไม่น้ำลายไหลไหมถ้าดีกว่านี้น้ำลายไหลแน่แล้วก็มั น, มนไม่ก็ม ไ, มมไม่มีปัญหาใดเนี่ยเราถ้าดีกว่านี้คืออะไรดีนี่คือคุณจนลงกว่านี้พูดแล้วเสียวเลยนะคุณลดละได้มากกว่านี้มักน้อยได้กว่านี้ไม่สะสมได้กว่านี้อะไรนี่เป็นบุคคลประเภทเก้า บุคบรรณาเกล้าเลี้ยงง่ายบํารุงง่ายมากน้อยกว่านี้สันโดดกว่านีนะ้เป็นคนที่มีการขัดเกล้าได้ดีขึ้นกว่านี้ศีลเคร่งได้กว่านี้ศีลข้อแข็งแข็งมาก็ทําได้ศีลแข่งขึ้นมาแล้วก็สบายไม่ต้องเคร่งอะไรได้ปาสาธิกาอาการทางกายกรรมวิีกรรมโมโนกรรมล้วก็ดีกว่านี้ไม่สะสมยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าที่สะสมอยู่ตอนนี้แล้วก็ อาการกายกรรมวิจิกรรมนุกรรมนี่แหละอาการที่น่าเลื่อมใสแล้วก็ปัจจัยไม่สะสมได้ยิ่งกว่าที่เป็นนี้วิริยารำพะปาลารบความเพียรมีความขยันมันเพียรมีสมรรถนะเชี่ยวชาญชํานาญในการสร้างสรรค์ได้ยิ่งกว่านี้เป็นคนมีวรรณะวันนักของพระเจ้าวรนนัก่าวเนี่ยธรรมาว่าวัานี่เป็นตัวที่ขยายความอธิบายได้ชัดพวกเราฟังกันหลายคนท่องได้แล้ว หลายคนก็เป็นได้บ้างแล้วคือเลี้ยงง่ายก่านแล้วแต่ก่อนนี้ไม่โอ้โหเลี้ยงไม่ง่ายเลยไอ้นั่นก็ไม่ถูกปาก <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่ก็ไม่ถูกจมูก <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่ก็ไม่ถูกตานี่ก็ไม่ถูกหูโอ้เป็นคนเลี้ยงยากจับคุณเลยนั่งก็อยากไปก็อยากมาก็อยากกินก็อยากนอนก็อยากอะไรก็อยากไปหมดอ่ามันก็ยากแต่ที่นี่เราง่ายแล้วกินง่ายนอนง่ายสบายไปมาง่ายอยู่ง่าย เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายทําให้เจริญได้ง่ายเจริญไปทางธรรมก็ได้ง่ายเจริญไปทางโลกทางโลกีสมรรถนะทางโลกีก็ง่ายนะมักน้อยจริงๆสันโดษพอน้อยขนาดนี้ก็พอแล้วไม่ได้ทําลายร่างกายไม่ไทําลายสุขภาพเป็นคนมีภูมิธรรมในเรื่องขัดเกลวนะมีการขัดเกลวกิเลสมีการขัดเกลวผู้อื่นมีการขัดเกลว์ตนจนเป็นพระอหรหันต์เสร็จนั่นแหละคุณไม่ต้องขัดเกลว์ตนอีก ยังไม่เป็นพระอาหาร ก, ก็ต้องขัดเราตนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์จนกว่าจะจบสิ้นกิจสบจบกิจไม่ต้องขัดเราอีกศีลก็เคร่งขึ้นไปได้สูงขึ้นเป็นอัธิศีนสีแข่งก็คืออัิศีนขึ้นไปเรื่อยเมื่อเป็นอัธิศีนที่ได้แล้วสีมันสูงสีมันเคร่งแต่เราไม่เคร่งหรอกผู้ที่ได้แล้วไม่เคร่งสบายมันเคร่งขนาดไหนก็เฉยอ่า พอได้แล้วมันก็ไม่ไม่ต้องเครียดเคร่งอะไรแั้วเปนปกติเป็นอัตโนมัติเป็นเองเป็นได้แล้วเองเป็นลงตัวแล้วอยนี้เป็นตัวอาการกายวาจาใจก็เป็นอาการที่จริงใจเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นอาการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่อาการกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเพื่อเป็นโลภโมโทสัะเพื่อไปเอามาหรือเป็นอาการทางโลภโทสะเป็นอากาตเป็นโทสะเป็นการรุนแรงไม่มี โมหะก็ไม่หลงไม่หลงผิดไม่ลหลงไหลไม่หลงลืมไม่หลงเหลือไม่หลงตัวไม่หลงตนอะไรไม่หลงทำมัยังมีสัมปชัญญะมีปัญญากำหนดรู้อย่างชัดเจนดีนะเเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปจะมีชีวิตไปก็บมีไปบอกแล้วว่าสุขสำราญบานใจเบิกบานราเริง ม, มันไม่มีปัญหามีแต่ปัญญานะ ไม่มีปัญหาสําหรับตัวเราเองไม่มีปัญหามีแต่ปัญหาคนอื่นเอามาให้แก่อุย้ยเยอะจริงๆรงิปัญหาไหนที่พอแก้ก็แก่ปัญหาไหนไม่ต้องไปเกี่ยวเลยเอาปัญหาการเมืองมาถามอาตมาบอกคุณไปแก้กันเองปัญหาการเมืองอาตมาไม่ต้องแก่เพราะคุณรับผิดชอบไปเยอะแยะทําให้มันได้อาตมาทําแก้ปัญหาที่จะสร้างคนนี่คุณไม่มาทํางานนี้อาตมามาทํางานนี้เนี่ยอาตมาก็พยายามร่ํารองไว่าวทําไมไม่ทําอะไรให้สร้างคนถ้าไม่สร้างคนมันไม่มีทางหรอก เพระเาะฉะนั้นพูดที่ไม่สร้างคนเลยแม้แต่พิพดผู้บริหารตัวเองยังไม่สร้างตนเองเนี่ยตนเองก็จมลงจมลงจมลงตนเองก็ไม่พัฒนาขึ้นไม่สร้างแม้แต่ตนเองไม่ทําให้ตนเองเจริญขึ้นมีแต่หนาเข้าไปใน ก, กิเลสมีแต่พฤติกรรมที่โอ้โหทําลายอะไรแต่ไรไปตลอดเวลาไม่ได้หรอกต่อให้คุณมีหน้าที่มีสิ่งที่รับผิดชอบขนาดไหนอะไรยังไงยิ่งรับผิดชอบใหญ่ๆรับผิดชอบ ต่อสังคมส่วนกว้างส่วนรวมอะไรแต่ตนเองก็ไม่เขา้าทาไม่พัฒนาตนเองแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองทำอย่างไงโลภขนาดไหนเห็นแก่อะไรเ อ, เอียงขนาดไหนและปัญญาที่จะช่วยคนอย่างไรขนาดไหนจุดไหนก่อนจุดไหนหลังก็ไม่รู้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงการเมืองแล้วเขาไม่ได้สอนการเมืองกันเลยมีแต่เล่นเกมการเมืองกัน ไม่ได้สอนประชาชนในเรื่องการเมืองแม้แต่ผู้ที่ไปเรียนการเมืองมาแล้วเรียนมารัฐศาสตร์เรียนอะไรอะไรมาเสร็จแล้วก็เอาการเมืองมาเป็นเกมเพื่อที่จะให้่านี่แหละใหญ่เป็นผู้รู้ในเรื่องการเมืองในเรื่องเกมการเมืองแล้วก็พูดแล้วก็เขียนแล้วก็เอาออกมาเพื่อลาลาบล่ า, ลายดให้แก่ตัวเองเจะว่าสอนก็เป็นผลข้างเคียงนิดนดหน่อยหน่อยเท่านั้นเอง สอนแต่ไม่ได้ทํากันอย่างตั้งใจโดยเฉพาะตัวเองไม่ได้ทําเป็นนักการเมืองที่ดีเป็นนักการเมืองที่มีน้ําหนักมีอิทธิพลเป็นนักการเมืองที่คนยอมรับเคารพนับถือแล้วก็ไปทําขึ้นมาจริงๆเรียนมาเป็นอะไรก็ไม่ให้ไปทํางานการเมืองก็ไม่เอาแต่พูดเลงไปทํางานการเมือง ไ, ม, ไม่ทํารักษาท่าทีไว้ได้แต่พู ด, พ ด, พ ด, พดแต่ตัวเองไม่ได้ทํางานการเมือง แต่พูดมาเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับว่าฉันรู้การเมืองแล้วฉันก็รักษาฐานะของฉันได้รับลาบยศสันเสริญโลกียะสุขของฉันไปอาตมาพูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ไปใส่ความเป็นเรื่องจริงจริงๆแล้วจะงานการเมืองหรืองานเศรษฐกิจหรือจะเป็นงานรัฐศาสตร์งานสังคมศาสตร์อะไรก็ตามใจเถอะมันเกี่ยวข้องกันไปหมดงานศาสนานี่ก็เกี่ยวข้องกันอย่างยิ่ง แต่เขาไม่ไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแก้ไขที่ตัวเราเองเนี่ยแก้ไขเป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่โลภโมโทสันน้อยเป็นคนที่ไม่ต้องทำให้รุนแรง โทสะน้อยเอามาหตโหดร้ายน้อยพยาบาทอาฆาตน้อยลดลงลดลงจริงๆแล้วก็มีความรู้ที่ชัดไม่หลงไม่โมหะหลงผิดนั่นหลงผิดนี่ไม่ใช่เข้าใจชัดมีปัญญาที่คมแหลมขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆถูกต้องตามสัจจะเรื่อยๆนะทุกอย่างก็รู้หมดทุกอย่างก็เข้าใจทุกอย่างก็ไปทํากับเขาโดยที่เราไม่ต้องทําก็ได้ทําอย่าง ทางอ้อมทาอย่างทางที่รู้ว่าอันไหนควรก่อนควรหลังเราก็ทำมันนั้นก่อนการมาสร้างคนให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวน้อยเป็นรากฐานของทุกศาสตร์เลยให้ลดกิเลสนี่แหละเป็นรากฐานของทุกศาสตร์เพราะมันจะช่วยตนเองแล้วก็ช่วยสังคมไปในตัวพร้อมกันมันไม่เป็นพิษแก่สังคมเมื่อไม่เป็นพิษกสังคมศาสตร์อะไรๆมันก็อยู่ในนี้หมดแล้ว มันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมนอกจากไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมแล้วช่วยสังคมสร้างสรรค์ด้วยสร้างสรรค์ช่วยสังคมอยู่ด้วยนะและตัวเองก็เป็นคนน้อยมักน้อยสุดโดดไม่ต้องสะสมอะไรเลยแล้วมันก็มีระบบของมันเนี่ยอย่างพวกเราเนี่มีระบบมีส่วนกลางคองมมิวนิสต์อยากได้เนี่ส่วนกลางอย่างนี้คอมมิวนิสต์อยากได้แต่เขาทาไม่ได้สู้พุทธไม่ได้สูอโศมกทาไม่ได้ อาตมาดึงพูดหลายทีแล้วแม่เลนินไม่น่าตายก่อนเนี่ยรับทฤษฎีของมาร์กมาเสร็จแล้วก็ทําเลนินเป็นคนทำบุญสำเร็จในประเทศก่อนเจออาตมา ก, ก่อนก็ดีเลนินมเกิดผิดเวลากันเล็กน้อยนีหรือแม้แต่เหมาเสตุงก็กตามเจอกันก่อนก็ดี <c oughs> แต่ยังว่าแหละมันพูดไปก็พูดเป็นนิยายเล่นเล่นแบบั้น่ะมันก็เดินกั น, นกระแสเพรอเขาเดินกันทางด้านโลกียะ ใน ด, า น, ดานพวกนั้นแต่เขาก็มีภูมิเหมือนกันว่าเออเราก็จะช่วยประชาชนอย่างไรเขาก็ช่วยอย่างวิธีที่ว่าเอออย่างนี้มันดีแต่มันไม่ลึกซึ้งก็ไปหาวิญญาณเพราะฉะนั้นลักษณะทางด้า น, ข น, น, นเขาบรรณิตเนี่ยเขาต้องเรียกเมเทอริซิมเขาต้งเรียกลักษณะมันเป็นลักษณะของลัทธิที่มันเน้นไปทางวัตถุมันไม่เน้นมาทางนามมธรรมศาสนาพุทธไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธวัตถุไม่ได้ปฏิเสธวัตถุเรารู้ว่าวัตถุนี่เป็นเครื่องอาศัยแต่ จิตปัญญาเป็นประธานสิ่งทั้งปวงธรรมุนิจ้าก็ตัดไปชัดเป็นประธานสิ่งทั้งปวงแล้วไม่หลงไหลวัตถุแล้วก็ไม่หลงไหลแม้แตญญ่จิตปัญญาด้วยจิตปัญญาที่สุดก็มายึดเป็นเราเป็นของเราโน่นแหละของพุทธนอะไม่ได้หลงไหลจิตวิญญาแต่สร้างจิตวิญญาณนี่ให้ดีให้งามสร้างจิตวิญญาณให้เยี่ยมมีปัญญามีสมถนะสร้างสรรค์วัตถุก็ได้สร้างสรงสรค์อะไรอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องติดหรอกวัตถุก็ไม่ติดจิตก็ไม่ติดแล้วมันจะมีปัญหาอะไร ไม่ติดจิตไม่ติดวัตถุควรสร้างก็สร้างควรสร้างคนให้เกิดจิตที่ดีก็ช่วยสร้างควรสร้างวัตถุขึ้นมาอาศัยบ้างก็สร้างอัตมาเองก็รู้วัตถุอัสุอะไรควรอาศัยก็สร้างย่งเงก็ดูแลพอสมควรแบ่งแจกกันไปไม่ใช่หรออัต ม, มาไปทําคนเดียวอัตมาทําไม่ได้เราทําคนเดียวทุกคนนั้นคนนี้ช่วยอ่าไม่เป็นไรอ่าคนนี้กวาดช่วยกวาดก็กวาดคนนั้นช่วยต่อก็ต่อคนนี้ช่วยต่อคนนี้ช่วย เอาแบกคนนี้ก็แบกคนนี้ชจยหาคนนี้ช่วยปลูกคนนี้ช่วยสร้างคนนี้ช่วยทำํำนี่มันก็เป็นไปถ้ายิ่งเข้าใจด้วยปัญญากันแล้วว่าเราสร้างไปเพื่ออะไรก็ยิ่งชัดเจนว่าในร้อไม่ได้สร้างเพื่อที่จะมาเสวยมาเสพสุขมาอะไรอะไรสร้างเพื่ออาศัยสร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำํำเราตมาขยายความอะไรไปเรื่อยๆก็ขอ สรุปลงด้วยว่าทุกอย่างก็คือการกระทําคือกรรมคือการกระทํามื่อจะทํำนี่เราต้องมีปัญญาเราต้องมีความคิดทางจิตแล้วว่าเริ่มต้นตั้งแต่ในจิตแล้วนี่ก็เป็นกรรมแล้วเมื่อเริ่มมาเป็นวจีเป็นคําพูดก็เป็นน้ําหนักมากขึ้นนะเป็นเนื้อหาแท้มากขึ้นมาเป็นกายกรรมครบพร้อมเลยเามากรรมมันตะอาตมาเคยบอกหลายทีแนละ้วว่ากรรมมันตําไม่ได้แปลว่ากายกรรมเท่านั้น กรรมมันตับแปลว่าหมดเลยทั้งคิดสังกปะทั้งวาจาทั้งกายกรรมรวมกันเป็นกรรมตั้เป็นการกระทําทุกอย่างครบพร้อมเรียกว่ากรรมมันตะต์กายกระทําถึงที่สุดเป็นกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดกรรมเพราะฉะนั้นในกรรมจะแบ่งแยกไปเรียกอาชีพก็คือหน่วยของงานกรรมหน่วยของงานที่รับผิดชอบหรือที่เอาจริงเอาจังอาชีพคือทําเป็นหลักทําเป็นงานสําคัญ ประจำชีวิตรหรือทำอยู่ในช่วงไหนก็แล้วแต่คุณทำอันนี้มากคุณทำอันนี้หนักก็เป็นงานงานอันนั้นแหละเรียกว่าอาชีพไม่ใช่ว่าไอ้ที่ได้เงินถึงเรียกว่าอาชีพไอ้ที่ไม่ได้เงินแต่ทำหนักทำมากไม่เรียกอาชีพแต่ทำให้ได้ไอ้ได้เงินนะั่นไปเรียกมันว่าอาชีพไม่ใช่อาชีพคืองานที่เรารับผิดชอบงานที่เราทำอย่างสำคัญที่เราทาประจาหรือที่เราทา เป็นส่วนมากอาจจะเป็นช่วงคลาวอาจจะเป็นถาวร อ, อาจจะในระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็ตามอาชีพก็ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะอาชีพที่มันมีทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าอาชีพหรือ ง, งานอะไรต่างๆนานามันสารพัดสร้างกันขึ้นมาเลอะอาชีพก็คือกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็คือกรรมและอันนี้แหละเป็นทั้งพระเจ้าเป็นทั้งซาตาน ใครจะทําอย่างซาตานก็ต้องมารู้ว่าอันนี้มันสมควรหรืม่สมควรมันดีหรือไม่ดีถ้ามันเป็นซาตานก็คือมันไม่ดีอย่าทําเลิกหยุดหยุดให้ได้มีกําลังใจเลยห้ามไม่ได้ห้ามได้เลยไม่ต้องห้ามมากด้วยไม่ต้องห้ามแรงด้วยแค่ว่าเออไม่ทําแล้วก็ไม่ทำได้สบายไม่ฟื้นไม่ลําบากไม่กวนไม่โหยหาไม่อาวอนไม่หลอหล่อแหล่ไม่รอหล่อแหล่แหยุดก็หยุดไม่ทํา ไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยก็มีพลังสร้างสรรค์ด้วยว่าจะทําก็ไม่ใช่ขี้เกียจโอ้อจะท ำ, ะทำดีดีๆีก็เดี๋ยวผัดปไปก่อนโ อ, อเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ไม่อยากทําไม่ใช่จะทําก็ทําได้เต็มที่ทําได้ได้วยฉันพระวิริยะจิตตวิมังสาทําได้ได้เต็มแรงมีอิทธิบาทเลยหยุดก็หยุดได้เด็ดขาดสาร้างก็สร้างได้สมบูรณ์แรงเต็มเต็มเต็มใจเป็นคนที่จะหยุดก็ได้ จะเกิดก็ได้จะตายก็ได้เกิดเป็นเกิดตายเป็นตายเป็นผู้ที่สั่งเกิดสั่งตายให้แก่ตนเองพอเราจะทำคือเกิดทาเราจะเลิกจะหยุดหยุดหยุดเด็ดขาดไม่ทำเลยตลอดการก็ได้หรือว่าหยุดชั่วคราวหยุดาสมควรการและสมควรจะทำก็ไปทำได้ไม่ใะหยุดตลอดการก็ได้เงี้เป็นตน้น เป็นผู้ที่เข้าใจสุดสิ่งที่จะเป็นกรรมที่เราจะสั่งกรรมจึงเท่ากับพระเจ้าที่จะสร้างอะไรก็สร้างแม้แต่จะเป็นซาตานก็จะทําลายอะไรก็ทำลายเลยแต่รับผิดชอบของตนเองเป็นหลักของคนอื่นก็ช่วยเขาด้วยช่วยเขาทําลายสิ่งที่ควรทาลายแต่ไม่ไปทำลายอะไรให้บาดเจ็บเพื่อให้กระเทือนกับคนอื่นจะสร้างนั้นสร้างเพื่อแพร่คนอื่นด้วยจึงเป็นทั้งพระเจ้ากรรมนี่แหละกระทา เป็นทั้งพระเจ้าเป็นทั้งซาตานทำลายสิ่งที่ควรทำลายเป็นศาสตร์ไม่ใช่เป็นซาตานเป็นพระเจ้าที่ทำลายซาตานไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นซาตานตัวท่านไม่ได้เป็นซาตานเลยเป็นพระเจ้าที่สร้างและทำลายซาตานด้วยตนเองนั้นเป็นตัวพระเจ้าแล้วซาตานไม่มีแล้วเป็นพระอรหันเนี่ย ตัวเองผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วนี่คือซาตานหมดไปแล้วในตัวเรามีแต่พระเจ้ามีแต่เป็นผู้สร้างจะเรียกพระบุตรจะเรียกพระบิดาก็ได้เป็นผู้สร้างแล้วอย่างมีปัญญาว่าควรสร้างเมื่อไรเท่าไรมีรู้จักดีมานสัปพลายอย่างสำคัญด้วย นี่คือลัทธิพุทธนี่คือศาสนาพุทธนี่คือพูทที่ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มาที่อตมาสาธยายมานี้มันก็เท่าที่อตมาสาธยายได้โดยภาษามาเรียนรู้แล้วก็พิสูจน์ตนเองเข้ามาเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะเข้าใจใครดีกว่าธรรมะเก่งกว่าธรรมาจะพูดได้ดีกว่าธรรมาจะสื่อได้ดีกว่าอรตมะธรรมานี่สื่อเป็นหลักวิชาเป็นวิชาการไม่ค่อยเป็นสื่อได้แบบลูกทุ่งเหมือนเศรษฐีบันนอก โอ้โหแล้วเธอไม่ได้รูปได้ร่างอะไรแต่รู้รว่ามันมีมากพรอคุณฟังเขาคงพอเข้าใจโอ้มีเยอะเหลือเกินแต่ไม่เห็นค่อยเรียบเรียงไม่เห็นเป็นระบบระแบบไปเลยเโอ้โหตุ่มหูก็เอาไว MM ้ไขวไว้สะดืออะไรเนี่ยอะไรงนี้เป็นตน้นมันสับสนอยู่บ้างแต่มันเยอะอนะก็อะาวใครจะมาเรียบเรียงช่วยกระเชิญนะเอาละเอวงังสําหรับการเทศวันนี้